เด็กชายนะคุณไม่เข้ามาเข้ามาหเปล่ายังไม่เข้ามานะอะ่ไม่เป็นไรอาจจะไม่สะดวกเดี๋ยวไปที่จำแม่กับแจที่ก่อนอ่าจำแม่แจที่กราบนมำสจการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงตอนนี้ประเทศอังกฤษหนาวไหมครับก็เริ่มหนาวขึ้นแล้วครับ อ่าอาการ4องศาได้ไหมเ้ย4องศาสเองศา11คเท่ดร่ะสิบเอ็ดองศาครับใช่ครับกับน้ำ น, นะครับเมืงไายเราไม่เกิถึังสิบเอ็ดนั่นะคับโอเคเป็นไงได้มาเยี่ยมเรียนปู่ยา่ยาย่าพี่น้องมีความสุขไหม ทำไม่ทำสบครับใช่อะไรมากที่สวยเออก็เจยากครับใจยากนีแล้วไปพาไปดูไปชมที่ไหนอะไรบ้างหรืเปล่าไอ่มีอย่างครับไมไปไหนเลอยู่แต่บ้านนะครับครับ่ <Okay. S 2> บาเงี้ยมาทําการบ้านส่งการบ้านเลย ครัเดี๋ยวส่งกันมาแล้วก็เดี๋ยวพาหน้องๆจากที่นี่มาสวัสดีครับอได้ว่มามาเรามีความแก่เป็นธรรมดามจะล้งพ้นความแก่ไปไม่ได้ไไดเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามจะลุ้งพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลุ้งพ้นความตายไปไม่ได้ไตัวเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งพวง เรามีกรมมมกรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเร า, เราทํากรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆตไปเราต<อ>้องหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอะเป็นยังไงกลัวกลัวก ว, ก ว, ก ว, กวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายไหม ไม่กลัวอ่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายใช่ไหมใช่ครับอ่เราเป็นยู u อร์ของร่างกายนะอ๋อครับเพราะฉะนั้น user ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจเหมือนเวลาเล่นเกมเวลาเราเล่นเกมเราตกใจไหมเวลาตัวที่เราเล่นเกมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่นั่นแหละนั่ร่างกายนะมันเหมือนตัวที่เราเล่นเกมเลย ม่ใตัวเราโอเคแล้วในร่างกายนี้มีอะไรบ้างมีผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอน็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับผังพืชตไตปอดเส่ไข่ไข่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีสะ น้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงอน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำแต่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำแต่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหงอน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลตน้ำดีเยื่ในสมองสิ่งสัต อาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไช้ใหญ่ปอดไตกังเผือกตับหัวใจม้ามเยื่อในกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟั น, นและขนผมเ้เราอยู่ในร่างกายนี้ไหมไม่อยู่ครับอยู่ในส่วนไหนไม่มีเล ย, ย, ไ, ย, ยไหมการทานที่สองนี้ไม่มีเราเลยไหมไม่ใช่เราใชไหมใช่ครับ Okay. h l e t i i t o n t Can you speak Thai? Can you speak Thai? speak uh, Thai. No. What's your name? Um, I am Hugh. I'm t a b e n Can you repeat again? I I am Hugh. You're Hugh, and the other yes. person, who is he? I'm Tobin. Tobin, okay. Are you brothers? Yes. I see. Are you happy to see your cousin? Yes. Okay. okay. What are you gonna do with them? You gonna show them around? Oh uh, yeah. <laughs> oh yeah. Okay. Have you been to Thailand before? No. No. You want to come someday? Yes. yes. Uh -huh. Okay. Nice seeing you. Nice talking to you. You have any question? No. Just no. to say hello. Uh? Okay. Yes. Okay. Yes. Good yes. luck. Good luck yes. to you. s a l r i g h y Can you say Swadika? o Say Swadika o to a l the masters o e r e Uh -huh. uh, uh, okay, good. w e e o w k a y h g o a t Okay. h g e l e o a n t h o a i o a n h e w o r a a d t a y t h e Okay. Okay. Anything else? Okay. Anything else? o a n y t h i n g else? o a y a h i e l o a n t h else? o ม a y ย n y t h i n g o o k a a n y Okay. t น้องพีมาคนเดียวแล้วม่สัการั้งค่ะลงตามาแม่ลงตาหน่มามานะคะน้องพีเกวนก็ได้คนเดียวก็ได้มีอะไรไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยอ้มาแม่าแล้วคะ่ะวันพฤหัสเป็นยังไงสบายดีเลยค่ะสบายดีค่ะกลับกลับมาเมื่อคืนนี้ค่ ะ, อ, คะอยู่ที่พัทยาสามวันนะ หกวันค่ะหกวันเลยก็เลยมีโอกาสได้ทําบุญกับหลวงพ่อบ่อยๆค่ะก็หนูก็ไปทําบุญที่ระยองด้วยค่ะอ่าบุญนี้เป็นเหมือนกับเงินที่เราไปใช้ในโลกทิพนะก็ค่ะเหมือนไปญี่ปุ่นเราก็ตเราเราก็ต้องแลกเงินเยนไปเงินเยนดีนะไปต่อไปเราไปโลกทิพเราก็ต้องมีบุญไปนะ ะเงินบาทเราไปไม่ได้นะเงินบาทเราไปใช้ในโลกทิพย์ไม่ได้ได้ค่ะหนูก็พยายามตั้งใจให้เต็มที่ค่ะได้อยู่น้องพีเขาก็ถามถามก่อนไปมามะ้าน้องพีถามจริงๆว่าที่มาม้าไปพัทยาเนี่ยเป้าหมายของมาม้าคือไปทําบุญใช่ไหมหนูพูดไม่ออกเลยก็เลยบอกว่าใช่ครับนพีแต่ แต่ก็ให้น้องพีได้ไว่ายน้านะคะไปว่ายน้ำได้กินปรตตี้ปตตี้ปตตี้ผลไม้อ่ะชอบกินผลไม้มากกินผลไม้กินงนเช้าก็วันเย็นเลยค่ะก็มีน้องพีดีใจไหมที่ได้ไปเรื อ, เ, อเสียใจอีใจค่ะดีใจนะมีความสุขนะค่ะ อ, อสุขกายด้วยการกิน สุขใจด้วยการทําบุญนะค่ะนับใกนั้ต้องทําทั้งสองอย่างนะร่างกายก็ต้องเตีนใจก็ต้องมีบุญนะถึงจะมีความสุขแหมมีความสุขดีที่ว่าบอกว่าไปทาบุญไปตักบาตรกระหลวงตาลูกขึ้นมาก็ไม่อดโอยแม่อะไรเวลาเรียกไปทําบุญกนะ็ชอบอ่าดีคนชอบทําบุญแสดงว่ามีบุญเก่าติดตัวมา ตัก บ, บานในีูดึงขึ้นมาเลยทุกทีเลอยู่อยู่ที่บ้านก็เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไปโรงเรียนโอ้ยบิดซ้ายบิดขวากว่าจะรู้ไปทำบุญเร็วเร็วเรๆวเวเวดี๋ยวไม่ทันนีบลุกขึ้นมาจัดแต่งตัวเองเรียบร้อยแสดงว่าใจใฝ่บุญใฝ่กุศลแต่อยู่ น, น, นานๆไม่ได้ร้อนอึนม <c oughs> เป็นปนิสัยที่ดีกว่าจะบ่มไว้อยู่ได้ พยายามฝึกฝนทําอยู่ ใ, ให้เป็นนิสยัยเป็นสันดาลเป็นบาลมีไม่ใช่เป็นสันดานเป็นบาลมี <c oughs> ออทิตที่แล้วอทิที่แล้วเลิกเร็วนะคะสามทุ่มครึ่งถ้วไม่มีคนก็เล้วเมื่อคืนนี้ต้องสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่กว่ากับห้าทุ่มใ ช, มตช่ต่างชาต่างชาติเวลาวันอังคารเราเห็นก็เยอะมากเลย เรจะเจราจะเลิกสี่สี่ทุ่มครึ่งบ้างใกล้ใกล้ห้าทุ่มบ้างก็หนูก็ฟังตรงนี้เสร็จแล้วก็พอปิดจักตรงนี้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะค่ะมันมันอยู่ได้ไม่นานก็ไปฟังที่ YouTube เอาค่ะในทีวีก็ไปเปิดฟังที่ YouTube ต่อไ ด, ได้แต่สโนวะมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะไม่ให้หลงตาดูอะไรฮะให้หลงตาดูดูอะไรคะ่ะ เออเาดูอะไรยังอยู่ยังอยู่อะไรึเปล่าเอ้าถ้าโชวอันอ๋อโชว์โชยังอยู่อีกนานครับของที่ได้เลยใชย่ยังไม่ยังยังไม่กินอีกเหรอหนอหนอดื่มดื่มแล้วครับดินมไปหน่อยนะอืม นับน้ำแอปเปิ้ลบอกแล้ว <c oughs> บอกแล้วว่าเปิดแล้วต้องกินให้หมดเลยเขาก็แบ่งกันกับพี่พี่ชายสองคนวันนี้ค่ะหมดขวดเลย <laughs> ของของลุงกานะกินให้หมด่าเปิดเปิดแล้วต้องกินให้หมดเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียนี่ก็โหแบบเดินไปไหนนี่ก็ถือตลอดของลุงกาอยู่ไหนของลุงกาญอยู่ไหนมามา่าอย่าลืมเอากลับบ้านนะ <laughs> <c oughs> <laughs> กลับมาก็รีบจะแช่บอกเดียวเดียวล้างก่อน พบาเขาเขาพูดนก้นบาทก้นบาทต้องเก็บไว้ต้องเก็บไว้ต้องกินต้องกินปกติหนูไม่ให้เขากินหรอกค่ะน้ำมันนมอะค่ะและไอเทมมีมีความสุขมากเลยค่ะพอได้เป็นก็อยากจะกินน้ำมันนมต้องมาทําบุญไปจะได้กินนะต้องให้ป๊ป๊าปั๊มเงินค่าโรงแรมแพงแพงหนูก็ แต่ก็มีความสุขมากๆค่ะตั้งใจตั้งใจไปหาครูบาจารย์เนี่ยค่ะอะอยู่ห้าวันก็ได้ไปหาหลวงพ่อสามวันนี้ก็มีความสุขมากๆนะคะ อ, ะอะได้ได้ไปนั่งตอนเช้าก็ตื่ น, นวันที่ไม่ได้ไปตักบาตรกับหลวงพ่อก็ออกไปนั่งหน้าทะเลก็ไปฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ตรงหน้าทะเลค่ะมันมันรู้สึกเงียบสงบได้ยินแต่เสียงคลื่น ดีค่ะเหมืนอนที่สงบไม่มีเสียงอะไนรบกวนใช่ค่ะมีเสียงอีกการด์ดไมไม่ตอนเช้าไม่มีตอนเช้าไม่มีจนหกโมงครึ่งเนี่ยค่ะอ๋ะอเขายังไม่เปิดอะ่ะได้ <c oughs> แล้วนั่งสมาธิเปล่ากลับมายังไม่ได้นั่งเลยค่ะตบนมอนหร้อเปล่ามอนก็ไม่ได้สวยหรือพี่สวยครับไม่สวยไม่เป็นค่ะไม่สวยไม่นค่ะที่ยังดี นะมันกล่าวว่าทำไหมพี่จะม่กับแจ๊ดดี่เขาต้องครึ่งชั่วโมงก็นั่งได้อแล้วเขานั่งได้เราก็ต้องนั่งได้สิใช่ไหมเขาก็เป็นคนเหมือนเราเราก็เป็นเหมือนเขาใช่ไหมเราคิดอย่างนี้ล้วเราจะได้ทําได้ได้ยินไหมครับงงเอาพูดถึงสมาธิง่วงในคราวเลย พูดถึงเล่นเกมนี่โอ้ยตื่นขึ้นมาเลยนะไโหไปที่ที่โมเมนต์พีเขาก็แบบมีมีอ่าเพลย์สเตชให้ด้วยหนูว่าอนุญาตก็เลยขอเขาก็ได้เล่นตลอดนั่นคือได้ปลดปล่อยอะค่ะอ๋าก็บอกโอ้ยมามาหนูหนูไปเที่ยวไปคุยให้คุณยายฟังทุกคนหนูไม่เข้าใจหนูแบบหนูอเมซิ่งมากทำไมมามาให้หนูเล่นเกมอะไรเงี้ยบอกก็มันเป็นแบบ จังหวะที่แบบเออก็คือให้เล่นขึ้นมาพักผ่อนก็ให้แต่ถ้าอยู่แบบปกติเนี่ยไม่ให้เล่นหรอกเขาก็แบบดีใจมากเลยเขาไม่คิดว่าป้าาจะให้เล่นครพวนี้นานๆทีไม่เป็นไรนะได้ค่ะอาจเล่นโดยจำไม่ดีนะที่มาครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีค่ะหลวงพ่อเดี๋ก็ไปต่อนะค่ะกลับนมัสการค่ะไว้หลวงพ่อท่านแข็งแรงนะคะน่าทร ไปที่เอเอคุณนิสาน้อมตับนมัสการค่ะพระ<ม>อาจารย์ก็ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์มาร่วมแล้วฟังค่ะอาจารย์กอ็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทั้งสมาธิก็มีแบบฟุ้งๆเยอะเหมือนกันค่ะอาจารย์<ม>ช่วงนี้ <laughs> ช่วงนี้แบบ เตบข่าวเยอะค่ะพอาจารย์เรื่องภาษีต่างๆใช่ค evet ่ะพอาจารย์แล้วก็แพงขึ้นต่อไปในของแพงขึ้นของของทรงปริยมังไทยนี่ขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะก็คงก็คงคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะพอาจารย์ก็เห็นเขาสต็อกของอะไรกันลูกก็โอ้ไม่สต็อกเพราะว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คงไม่อีกสักประมาณสามสี่เดือนอาจจะต้องต้อง คิดว่าน่าจะขายบ้านได้อะค่ะพระอาจารย์ไปอยู่เมืองไทยดีกว่าไปอยู่แบบอยู so though, ่แบบว่าพอเพียงดีกว่าค่ะพระอาจารย์ที่นี่ไม่ไหวแล้วค่ะนีมัค่าใช้จ่ายสูงนะค่ะพระอาจารย์ใจเลยก็คงค่ะพระอาจารย์ก็พอดีแฟนลูกเขาเป็นเทรดเดอร์ค่ะเขาก็จะแบบบ่นบนแล้วก็แบบดูข่าวเลยเรารู้สึกว่าเราก็จะคอยตามไปด้วยทําให้เราแบบ เกิดความฟุ้งซ่านค่ะเพราะอาจารย์จะไม่ฟังเลยก็ไม่ได้ค่ะเพระอาจารย์อืก็รู้สึกรูว่าอันนี้จังมาแล้วกันอย่าไปอย่าไปอะไรกับมันดูมันดูมันตามสภาพอ่ะเหมือนขึ้นบางทีมันก็ขึ้นบงทีมันก็ลงอเราก็จัดการกับมันไม่ได้อยู่ดีก็ดูไปรับรู้ไปแล้วก็อยากไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ถูกค่ะอาจารย์ ก็เดี๋ยวก็คงมันก็ต้องผ่านไปอะค่ะพระอาจารย์วันนี้ถ้ามองเป็นทุกอย่างวิทุกวิกฤตมันมีโอกาสเนี่ยถ้ามองตอนนี้คนบางคนก็อาจจะช่วยโอกาสได้หลยายทุกอย่างที่เรามองไม่เห็นก็ได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ลูกก็พยายามบอกไป ล, ลูกว่าเขาก็มันก็เป็นวิกฤตมันก็มีวิกฤตที่ผ่านมามันก็มีวิกฤตตลอดเวลาถึงเวลามันก็ผ่านพ้นไปอะค่ะพระอาจารย์ให้ยิน ให้ยึดใจรักที่พระอาจารย์เคยสั่งสอนนะคะอาจารย์ถ้าทำทำก็ถือเอาวิกิต น, นี้มันเป็นบทเรียนแสดงอริยาสาัจให้เห็นนะทุกข์สั์เกิดขึ้นแล้วความทุกข์ใจเกิดจากการแปดปวนอนิจจังของสิ่งต่างๆอือตามพระอาจารย์ทุกขพไม่อยากันเปลี่ยนใช่ไหมอย่า้มันเหมือนเดิมอใช่ค่ะพระอาจารย์หวห้ามมันไม่ได้มันเป็นธรรมนาตตาน อืมอมอ่าพอพิจารให้เป็นปัญญาได้นะพอเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ทุกข์มันเป็นอนิจจามันเป็นอนัตตามันไปสั่งมันไม่ได้ขกว่ามันเป็นไปแล้วเราก็ไม่ทําที่ทุกข์เพราะอยากให้มันไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมอยากให้เป็นอย่างคือไม่ไม่ถึงขนาดอครุกไม่ได้ทุกข์ค่ะอาจารย์แต่เพียงแต่ ว, ว่ามัน มันแค่บอกว่ามาคิดอยู่ในใจว่าเออมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะยอมรับทุกอย่างคือจะยอมรับผลที่เกิดขึ้นนะคะเวลาเน้นจังเลเชืเซียลาเซลาอะไรจะเกิดก็เกิดนะอก็ครคุงกระทบไปทั้งโลกค่ะคะ่ะ เดี๋ยวตายไปทั้งโลกทุกคนที่เกิดมาเดี๋ยวก็ต้งตายไปหมดอยู่นี่ใช่ค่ะพอรูกคิดถึงคําฝันของพระอาจารย์ว่าสุดท้ายมันจะตายกันหมดเนี่ยมันก็รู้สึกแบบเออก็ไม่มีอะไรนะก็เดี๋ยวมันก็ค่ะอาจารย์เป็นเหมือนฟองน้ําฟองนั้นเำแตวมันก็แตกใช่ไหมค่ะพระอาจารย์บางทีดูข่าแล้วก็แบบเออคขำๆเห็นเขาทามีมแบบเดี๋ยวเขาทำมีมทําคลิปแบบเอคงเอให้ทําที่แบบว่า เป็นทรัม์กับอีลอนมาสอะไรเงี้ย น, นั่งเย็บผ้าในโรงงานบางทีก็ <laughs> จะให้คนที่นี่คนอเมริกาแมานั่งเย็บผ้ากันแล้วทำโรงงานก็ตลกดีค่ะอาจารย์ <laughs> คือถ้า <laughs> ถ้าเป็นแบบเหมือนแต่ความพังเพยเขาจะบอกว่าอะไรนะคะช้างชนกันย่าแทกแหลกหลาน <laughs> ใช่ไหมคะอาจารย์เราตัวเล็กๆเรา ก, ก, ก, ก็ต้อง ก็โดนเราก็พยายามหลบพยายามอยู่ที่ไกลๆจากช่างแล้วกันอย่าไปยุ่งเขาค่ะกลับไปเศรษฐกิจกษษพอเพียงดีที่สุดค่าอาจารย์ ไ, <c oughs> ได้ดีที่สุด <c oughs> ใช่ <c oughs> ไม่ต้องสัโดไม่ต้องไม่เดือดร้อนอะไเลยเลยค่ะ <c oughs> โอเ ค, ค, คเระพูดโทรศัาสมาธิเป็นที่ยึเดเนี่ยวจิตใจดีกว่า ค่ะพราจังน้อปฏิบัติครับพระจังโอเคคุณเอกเราขอให้พระอาจารย์ธาตกันแข็งแรงค่ะอาจารย์เทคุณเอกเชียงรายการมาตการพระอาจารย์ครับผมอันนี้เชียงรายวันอากาศสูงเทอาไหร่อุณภูมิได้สูงวันนี้อากาศร้อนหรือครับพระอาจารย์ครับผมอ้าวมากครับอ เห็นพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนประมาณวันที่สิบสองสิบสี่อะครับวันนี้มีวันนี้เก้าสามจำได้ไห ม, มไม่ได้ดูไม่ได้ดูครับาาอาจารย์ครับครับผมแต่ก็ร้อนอยู่ครับวันนี้ทำนี่เที่วันในสามสิบสามองศาวันนี้ อ, อ๋อครับแต่วันนี้มันมีเมฆมีมันฟ้ามันไม่เปิดนะครับมีหมอกวันเยอะอะครับความสลัวสลัวแดกก็ไม่ค่อยจะแรงออกร่นแนไม่มีฝนเยอะไหม มีมีพีเอมสองจุดห้าเยอะอยู่ครับอาจันทร์ครับอากาศยังไม่ดีครับเชียงรายยังมีควันเผาเผาไรเผาอะไรอยู่ก็มีเห็นผมผมดูข่าวเห็นมีทางพม่าเขาเผาครับทางดอยตุงครัที่มีเศษติดต่อครับพระจันทร์แล้วก็เอน้ําก็แม่น้ํากกก็ไม่ค่อยดีเลยน้ำมีสารหนูเลยครับแต่ก็อยู่ไกลที่ผมอยู่ครับไม่ไม่ได้อยู่ใกล้ครับก็อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ อยู่กับโลกอนิจจ์นะครับไม่ได้ไปพกด้วยครับอาจารย์โลกแห่งโลกของความทุกข์ครับผมนื่อเกิ็ใช่ครับเข้ามารับฟังครับอาจารย์ครับก็ปฏิบัติทุกวันครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับไม่มีคำถามใดครับเข้ามาร่วมรับฟังครับโอเคคุณหมอภาสนาค่ะก่อนหน้ามรดกการค่ะพระอาจารย์ค่ะ อันนี้ที่แล้วโชคดีตลอดเลยพระอาจารย์เขาว่ากาศจะพาคุณพ่อไปทําบุญนี่ยคะกะให้ใจสว่างสว่างก็กะว่าไปเจอพระอริยทสักรูปหนึ่งก็ก็ยังก็ได้ก็ไม่ได้บอกคุณพ่อจะเจอไม่เจอนะปรากฏว่าเจอทุกรูปเลยพระอาจารย์คือแบบโชคดีมากเป็นเจ้าของที่สอนพาไปสังหลวงปู่จันเรียนนะก็ได้เจอได้ใส่บาท่านได้นั่งตีห้าแบบคือแบบโอ้โหประทับใจที่คุณที่พระอาจารย์บอกเลยชอบไปในถ้ำวัดถ้ำสาายเข้าในทําด้วยคือคุณพ่อเบิกบาแล้แล้วก็ไปหาหลวงปู่วุฒมี เกือบคลาดกันนะแต่ว่านิดเดียวเองท่านขึ้นรถและท่านลงมาอัไดนดังคุยด้วยนะคะได้สนทนาธรรมด้วยอูว่าคือรู้สึกว่าโอ้ทได้สองรูปแนละ้วโชคดีแล้วไม่เป็นไรถ้าเกิดไปของปู่ทุยไม่ได้เจอก็ไม่เป็นไรปราคนว่าไปถึงปู่ทุยก็ได้เจออีกพระอาจารย์โชคดีมากเลยมีคนเจอแบบเจอคนเขาบอกว่าให้ทําอะไรอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกเลยว่าเออโชคดีคือแบบความตั้งใจเราอยากพาคุณพ่อไปทําบุญนะว่า ม, มันเหมือนกับแบบ เหมือนกับเราอยากพาคุณพ่อไปเนี่ยมันทําให้สิ่งที่มันได้กลับมามันมันมากกว่าที่เราตั้งใจพาไปมันได้มากมากๆเลยอะค่ะอาจารย์ได้ไป <laughs> <c oughs> วัดหลวงปู่เทศด้วยนะคะก็ไปดูก็สงบค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือได้หนังสือหลวงปู่ทวยท่านแจกหนังสื อ, ห, ห, สอหลวงตามหาบัวกับหลวงปู่มั่นด้วยค่ะเป็นโอวาทธรรเป็นลายมือท่านด้วยนะแล้วก็มีแปลอะไรเงี้ยเอามาอ่านก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นตก่อนนีีอ่านตอนที่อยู่เขาชี้โอนของหลวงปู่มั่นอ่านไม่ค่อยเข้าใจนะะแต่ตอนนี้อ่านเข้าใจมากขึ้นค่ะอาจารย์ อขอบคุณพระอาจารย์มากเลยเพราะว่าเข้าใจที่พระอาจารย์บอกสั่งสอนเลยนะว่ามันอ่านมันต้องปฏิบัติไปด้วยคือเข้าใจมากๆเลยเพราะว่าปฏิบัติไปทําไปแล้วก็อ่านมันเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆต้องขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยค่ะอหลวงพ่อ่อ า, าออคือเข้าใจเลยว่าต้องปฏิบัติแล้วมันจะอ่านเข้าใจจริงๆคือแบบมันจะเออเหมือนแบบเป็นหนังสือแบบนัวิจัเตอร์เลยอะแต่มันต้องปฏิบัติค่ะก็เลยมีกําลังใจกลับมาก็แบบหา ลูกก็จบไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาลูกชายกับลูกสะลูกชายจบแล้วเดี๋ยวจะพาไปกราบพระอาจารย์ก่อนค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ก็ได้ก็ดูเป็นวัดที่ไม่มีน้ำไม่มีไฟอยู่ตรงที่ลู ก, ลกอยู่่ะลูกอยู่พิสุโ ล, โลกไงคะก็ได้ว่าจะลองไปดูด้วยค่ะพระอาจารย์ก็จะไปหลวงปูต่ตาพระอาจารย์สั่นก่อนแล้วก็จะไปคืออยากปฏิบัติจริงๆเลยอ่ะพระอาจารย์เพราะเห็นเห็นยิ่งยิ่งไปเดินไปอย่างเงี้ยยิ่งเห็นความสงบว่ามันสําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์มันต้องมันมันสงบแล้วมันทําให้ มันทําให้แบบเป็ น, ม, นมันมีกําลังใจเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ทําไปเรื่อยๆไม่ทำใช่ไหมลองคิดว่าอาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ใช่แผ <Yeah. S 2> ่นดินค่ะแผ่นดินไว้เห็นเลยพระอาจารย์มันเห็นยิ่งเห็นเลยแบบเออมันไม่มีอะไรเที่ยงในโลกก็ไม่เทียเหมือนเรามันก็เลื่อนไปเลื่อนมามันไม่เที่ยงเห็นชันเลยว่าอาจารย์ค่ะ <Okay. S 2> เลยตั้งใจทํามากๆเลยครับขอขอะคุณนะคะพระอาจาร yeah, าย์อ่าใช่ค่ ไปที่คุณตายต่อคุณตายยังไงน้ำกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้เข้ามารับฟังธรรมค่ะพระอาจารย์ก็ตอนนี้ก็พยายามพยายามนั่งสมาธิเริ่มใหม่ค่ะพระอาจารย์เหมือนเด็กหัดแดนใหม่ค่ะแต่ก็จะพยายามทำทุกวันค่ะพยายามอยู่ไหนคํามสำเร็จนี้นะั่นนะแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ เหนื่อยหน่อยแต่ก็น่าจะดีน่าจะทําให้เราสงบจากที่เราทํางานมาทั้งวันนะคะพระอาจารย์มันคุ้มหนื่อยในความสงบนี้คุ้มหนื่อยก็ได้นั้นได้ทํามันยังไปไม่ถึงสทีเลยพระอาจารย์พอแต่ก็พอแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่พอก็ลุกขึ้นือใหม่โยงก็มั น, ม, นมันจะไปต่อแบบยาวๆได้ยังไงไม่รู้อะคะ่ะพระอาจารย์ทําไปเรื่อยๆทำทุกวันใหญ่ยน มันก็ยาวเองถ้าทำแล้วหยุดอยู่แล้วทำมันก็อย่างนี้แทะเข้าแทะออกมันบางทีก็ทํานานจะเป็นนานเหมือนกันแต่ว่ามันก็ถอยอะพระอาจารย์มันให้ทํามันเต่าให้มันเดินเต่าเต่ามันเดินไปเรื่อยๆมันจะทําแบบกระตายวันไหนมีอารมณ์ก็ทําวันไหนไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทําต่อันนี้วันนี้ ตั้งมัน่นตั้งมั่นแล้วคะ่ะพระอาจารย์ว่าจะค่อยๆทําไปไม่ไม่หยุดลคะค่ะ อ, อ, อย่ายหยุดนะทำไปค่อยๆเพิ่มไปอืคจ า, ากสิบ น, น, น, นาทีเป็นยี่สิบนาทีเป็นสามสิบนาทีอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์จะจะพยายามทําทุกวันคะ่ะ อ, อคิดคิดว่าคิดว่าจะทําทุกวันแล้วคะ่ะพระอาจารย์ น, นี้ไม่ถอยละ ก็รู้สึกว่ามันก็จะไปไม่ถึงไหนใช่ค่ะถ้าเราถ้าเราถอนหรือว่าไม่ได้ทํำนานๆเนี่ยมันรู้สึกว่าพลังเราหายนะคะพระอาจารย์<ช>มันจะมาจะมาตั้งใหม่หรืออะไรเนี่ยมันแบบว่าเอ้ยเราตะเลิดไปไกลไปไกลแล้วแต่ก็ยังดีที่รู้ตัวนะคะโยมก็ยังว่ายังดีที่โยมยังรู้ตัวกลับมาใหม่ยังกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ก็ยังดีอ่ะก็ตั้งใจไว้ว่าจะทํากันสองคนนะคะ ก็เริ่มเริ่มกันเริ่มทํากันแล้วค่ะพรอาจารย์ถ้ามีเพื่อนด้วยก็ยิ่งดีใช่เพื่อนด้วยช่วยกันดึงไปเวลาตะเริดก็ตะเริดได้สองคนเลยพระอาจารย์อ๋อช่วยไม่ได้เยเดยไม่จะทยังไงเละเวลาจะเวลาจะข้ามวงโคจก็อ้าจับมือกันมามาเอาใหม่นั่งใหม่อะไรประมาณเนี้ค่ะอาจารย์โยมก็งงกันมากเลยว่าเอ๊ะทำไมเวลามันตะเริงมันตะเริดได้สองคนแต่ว่ามันมีอะไรมันเหมือนกันก็ไม่รู้โยมสองคนเนี่ย ใช่พรอาจารย์โอเคอ่ขอไดจารย์ทอดานแข็งแรงนะคะ่สาธุสาธุออคุณสาธกการยืนคุณสาธกการค่ะไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์มาปรมธรรมค่ะปฏิบัติทุกวันค่ะโอเคสาธุคุณสุภัตากลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรไม่มีคําถามเจ้าค่ะขอร่วงฟังธรรมเจ้าค่ะโอเคงั้นไปที่คุณหมอทํานสองท่านเลยหอหน้ากับคุณหมอตากลัมามาสการอาจรย์ค่ะได้ยังปฏิบัติอยู่ค่ะแต่ว่าติดยังมีเมื่อวานค่ะที่บอกว่ากะว่าจะมานั่งต่อนกลงคืนแต่ว่าไม่ไม่สามารถค่ะหยุดไปหนึ่งวันค่ะพระอาจารย์มีชวดใช้เปล่ามีมีมีนั่งชวดเชยเปล่ วันนี้ยังย ไ, ไม่้ชดเชยเลยครับ ย, ยุคนี้ไมช่ชดเชยแต่สัปดาห์ก่อนนะอาจารย์ก็แนะนําให้ชดเชยเหมือนกันครับจะได้<ม>จะได้ไม่ไม่ขาดจะได้ต่อนเนื่องครับเน่มันจะมันจะมันจะมีข้ออ้างข้อหลงไม่สะดวกไม่นั่นไม่นี่ไม่สะดวกก็<ช>กเลื่อนมาได้ทดเชยเช่นเมื่อวานนี้ทําไม่ได้วันนี้ก็ต้องทำสองสองเวลาช<ท>ดเชยของมวันวันหนึ่งของวันนี้วันหนึ่ง จะต้องเก็บภายในหนึ่งอาทิตย์จะจะต้องเก็บเก็บจํานวนนาทีค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ยังยังยังขอแบบเมนเทนไว้ที่สามสิบนาทีให้ไม่น้อยกว่านี้ก็ก็ดีใจแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ดีอต้องทําต้องทําำไ้เรื่อยๆต้องรักษาแล้วมันก็จะก้าวหน้าไปเดี๋ยวยนะจะพัฒนาค่ะครับแล้วก็จะพยายามเน้นเน้นเรื่องพยายามเรื่องของการฝึกสติอยู่ค่ะยังเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์เหมือนเหมือนเหมือนเลี้ยงเด็กเหมือนกันค่ะคือแบบพยายาม เรบเดงมันก็เพิ่ไปแล้วใช่ค่ะเพิ่เหมือนตอนต้องต้นกลับมาอีกคแต่ก็คือมีพุทโธก็คือช่วยได้เยอะจริงๆค่ะเหมือนจะเป็นตัวดึงกลับมาค่ะให้ให้อยู่กับปัจจุบันใช่พยายามทําไปเรื่อยๆยังยังพยายามอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็ยังแบบเหมือนพอมันมีจิตมีงานมันมันยังเป็นความเคยชินนะคะพระอาจารย์มันน่าจะแบบมันคงหลายภพชาติแล้วตอนนี้ก็พยายามฝืนอยู่ค่ะพระอาจารย์เอ เดี๋ยวก็ได้เองนะพยายามไปค่ะอาจารย์โอเคสค่ะค่ะรบขอบพระคุณทรอาจารย์ครับครับคุณเนงต่อคุณเนงไม่ได้เข้ามาหลายรอบเลยนะการมัสการค่ะะอาจารย์ถามอาจารย์เวลายงตัวสถีนะค่ะการปฏิบัติถดถอยมากเจ้ค่ะแต่ก็พยายาม พยายามที่จะเมื่อเชา้าก็นั่งสมาธิก็ก็โอเคค่ะแต่ว่าได้อย่างช่วงสั้นๆค่ะยังไม่ได้กลับไปเท่าจุดเดิมน่าเชื่อได้น้ว่าทําไปถึงจุดนานๆมันหายไปเจ้าค่ะตั้งแต่ปีใหม่แล้วก็ยาวแล้วก็ต่ะแตะต่ะแตะไปนู่นมานี่ไปไหว้พระวัดนัดวัดนี้เป็นเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ยุ่งกับผู้คนมากเพื่อนก็นั่นแหละมันก็เลย<ม>ปฏิบัติเลยถดถอยเจ้า<ม>ค่ะ รู้เจ้าบอกสิ่งที่ยากก็คือเนี่ยการมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมนะครแล้วค่ะมีสิ่งยากอยู่สี่อย่างเการเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากการ เ, เกิดของพระพุทธศาสนาการตัั้รู้ของพระพุทธเจ้า ก, ก็ยากการมีเวลาให้กับการปฏิบัติก็ยากการดํารงชีพก็ยากเสี่อย่างนี้แล้วค่ะการพยายาม พยายามทำมันมันให้ได้เพราะมันจะทําให้เราได้สิ่งที่ยากก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์นะค่ะจพยายามต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เราไม่ได้มาเกิดเจอพระพุทธศาสนาทุกครั้งไปนะนานๆจะเจออันทักครั้งหนึ่งก็ค่ะทุกครั้งนี้อย่าปล่อยให้มันหมดเมือไปออพยายามทํากว้าง วามันมาให้เป็นสมบัติของเราให้ได้แล้วค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์อะสาธุขอขอพระอาจารย์ค่านแข็งแรงนะเจ้าค่ะไ่ถามตัวเงันเวลาผ่านไปผ่านไปล้วกาลังทำอะไรอยู่เออเจ้าค่ะโอเคสาธุเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณจะอ่าคุณปุ้ยรักเสมอ ได้ข่าวว่าเมืองลักสมบูรณ์นี่มีคนไม่ถึงล้านคนเลยประเทศรักสมบูรณ์ไม่ถึงค่ะกรรมนวัศการฉบัอาจารย์ไม่ถึงค่ะอห้ากว่าค่ะมีเมืองเดียวแล้วก็มีหลายเมืองมีเมืองเมืองแคปิตอลมีรักสมบูรเลยแล้วก็มีเมืองสำรองอย่างเมืองสำรองก็เหมือนอย่างกับหัวเมืองเหนือก็ทางดีเกียดแล้วก็ทางใต้ก็แอสอย่างเงี้ยค่ะคือ มันก็เหมือนกับมันก็เหมือนจังหวัดสิงห์จังหวัดหนึ่งเนื้อที่เท่ากันะ เ, เลยค่ะอสัญล mm ักษณ์เงินตัวสิงโตแต่ว่าตอนเนี้เราถึงถึงทางโลกอะ่ะจะประสบปัญหาเยอะแต่ว่าเรายันดีนะคะเราอยู่อยู่อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างดีถึงหุ้นจะตกคือตกมาแบบติดลบเลยอะ่ะผจารย์หุ้นตกแบบติดลบเลยลบลบสองลบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เขากําลังพยายามที่จะ หาทางช่วยเหลือเพราะว่านาังยุโรปมันมีมันมีแบงค์มันมีแบงค์ของมันช่วยเหลือจนเจีย อ, อยู่แต่ประชาชนเขาก็ดีเขาก็ช่วยเหลือดีเพราะว่าอินเด็กซ์มันขึ้นค่าน้ํามันมันก็ถูก ถ, <S 1> <S 1> ถ้าถ้าติดกับประเทศไทยแล้วคือว่าสินค้าอะไรแต่ลายนี่คือจะอยู่ในระดับราคาที่ไม่ไม่ไม่แตกต่างกันมากค่ะอื้อ ขนาดของประเทศนี่นจากชายแดนหนึ่งไปถึงชายแดนหนึ่งสักกี่กิโลจักเหนือสุดใต้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงประมาณห่ะสิบห้าสิบไมล์หกสิบไมล์ค่ะประมาณนั้นนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงได้ซ้ําถ้าเราเราเราริ่งเร็วนะคะเหนือเหนือเนือติดกับประเทศอะไรเหนือติดกับประเทศเบลเจียมแล้วก็ไม่มจะมี จะมีค่อมเบลเยียมแล้วก็เคสติดต่อเยอรมนเสร็จแล้วก็ข้ามไปก็จะเป็นฮอลแลนด์นะคะแล้วก็ทางใต้ก็คือฝรั่งเศสนะคะโอเคแล้วก็ตะวันออกนะค่ะต า, ามันออกหรือใต้มันมันคือคือคือมันจะเข้าเข้ได้ทุกประเทศเลยค uh ่ะ huh. เพราะเราพูดว่าเราอยู่เราอยู่ใจกลางเมืองอย่างเนี้ยนะคะ uh huh. แล่นไปสิบกว่ากิโลมันก็เป็นเยอรมนแล้วมันก็เป็น <Yeah. Okay. S 2> เอเนชาแนลนะ ใช่และใช้แดนเจลมันสินค้าจะถูกแต่น้ํามันจะแพงและเขาเข้านี่เาเข้ามาซื้อบุหรีเราเขาเข้ามาทํางานประเทศเราเขาเข้ามาเติมน้ํามันประเทศเราแต่เราเข้าไปเราไปซื้อของกินประเทศเขาคือมันก็มีผลดีอย่างเสียอย่างคือทางฝั่งฝรั่งเศสการกินอยอู่เงินเดือนเขาก็ดูเหมือนกับว่าถูกกว่าเราภาษีเขาก็แพงกว่าเราแต่อย่างเมื่อวานโยมก็ดูประเทศไทย ประเทศไทยเอภาษีส่วนตัวสูงถึงจากศูนย์ถึง42เปอร์เซ็นตแต่ที่ประเทศลักเซมเบิร์กะระดับภาษีนี่คือว่าจาก8เอเปอร์เซ็นต์ถึง 40, 40, 40, 42เปอร์เซ็นยังอย่างอย่างเพสิดเน้นอะไรอย่างนี้นายกเขาจะเสียประมาณอย่างคนคนระดับทํางานธรรมดาทำงานเบสิกเลยจะเสีย21เปอร์เซ แล้วก็จะมาสิบสามเปอร์เซ็นต์่วรยเสียอะไรสามสิบสามแต่โยมขอลดมันมีมันมีมันมีคือวงเล็บอ่ะมันมีคนหมายอันนี้สามมันแสดงว่าสูงเลยนะงาได้สูงเลยคือโยมระดับปานกลางไม่สูงมากะพยานเอ่อเพราะว่าบางเมื่อถ้าเกิดว่าโยมมันโชคดีตรงที่ว่าพอดีว่าสามีเก่าโยมเสียแล้วก็มันมีมันเข้าไปเงินเพนชั่นมันโยมนะถึงโยมโยมก็เลยได้สาม ทีนี้พอเสีย 33% เรามันมันมันมันจะดีกว่าเมืองไทยคือยอมอยากให้เมืองไทยใช้กฎข้อนี้คือว่าภาษีของเมืองไทยเป็นภาษียิบย่อยซึ่งซึ่งไม่มีวงเล็บแต่กฎหมายที่นี่เขาจะมีวงเล็บว่าถ้าคุณสามารถที่จะขอลดภาษีได้ในเงินเดือนคนุณแต่แต่กฎเมืองไทยไม่มีตรงจุดนี้ซึ่งทําให้คนอยู่กินยากค่ะพระอาจารย์ แล้วเงินเพนชั่นของของซาเม่ี้เขามีกำหนดไหมหมดเมื่อไรไม่ไม่มีจนกว่าเราจะตายค่ะใช้ได้จนตา่เราตายเลยเป็นมรดกตกทอดได้ด้วยเหรอได้เป็นมรดกตกทอดได้คือคือคุณคุณจะยากันไปกี่ปีกี่ชาติคือเขาก็จะไปเก็บตามค่ะคุณกลับมามารับเงินเพนชั่นอยังโยมยาไปแล้วตัยี่สิบกว่าปีเขาก็ไปตามเก็บมาอ แบบบางทีแบบเราก็ยังอะบาปปะวะเขาก็บอกไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้เรื่องบาปนะคือมันเป็นเหมือนกับว่าถ้าเพื่พูดเปรียบภาะศาสน า, าคิดศาสนาคิตดนี้เขาเป็นศาสนาคิต์เราเป็นศาสนาพุทธศาสนาพุทธเราก็เหมือนกับการทําบุญนะคะศาสนาเขาก็ก็จะเหมือนกับว่าการไถ่าบาปให้กับคนคนเนี้ยคนคนนี้ตายไปคนคนนี้ก็ต้องให้ให้สิ่งที่ให้เลิกให้คนที่เขารักอยู่ดีกินดีอย่างเนี้คะ่ะ แต่เขาก็จะมีลิมิตถ้ากับเป็นเด็กเด็กก็จะ25ไปเอ่อ25อายุ25เสร็จแล้วเขาก็จะไม่มีให้อีกแล้ว mm hmm. เอ่ออย่างเด็กเรียนอย่างเงี้ยคุณจะเรียนไปกี่ปีกี่ชาติอะอย่างลูกโยมโยมลูกโยมเรียนไปถึงปริญญาโทเขาก็ส่งเขาก็มีเงินส่งให้รดับใดที่คุณเรียนเขาก็ส่งเพราะอายุการทำงานอายุการเรียนโยมจบปริญญาตรีมาโยมก็เอาเข้ามาทบกับเอ่ออายุงานของโยม ซึ่งซึ่ ง, งทุกคนจะต้องทำงานได้40ปีเต็มแต่โยมยังไม่ถึง40ปีเต็มแต่โยมสามารถที่จะเข้าเพนชันได้ so, มันหมายแต่เรามันก็มีข้อวงเล็บของกฎหมายซึ่งเราสามารถจะพลิกกฎหมายให้เป็นกฎหมายได้ซึ่งทำให้เราอยู่สบายได้แต่บางคนเขาไม่รู้อ่ะอาจารย์แต่ได้เคยเรียนกฎหมายมาจากเมืองไทยและโยมเรียนวิธีพลิกกฎหมายจากที่นี่อะค่ะนี่ตามร้ี่มีคุณมประโยชน์นะใช่ค่ะ เขายมอยากให้อยากให้ประเทศไทยอ่ะถ้ามีนายกคนอื่นเข้าได้กับประเทศที่นี่ราะวันนี้ยมเห็นขา่าวอ่ะเขาต่อต้านมากต่อต้านประเทศไทยมากนะคะเพราะว่าเอ่อเรื่องเรื่องเรื่องนี้ละโทษกรรมแล้วก็เรื่องเอ่อเรื่องเกี่ยวกับเอ่อนักโทษของอเมริกาเพราะส่วนมากเขาจะสงับสิึงอเมริกาและทีนี้ ประเทศไทยอ่ะมามีปัญหาเกี่ยวกับเ อ, อ, อเมริกาโออยมอยากให้เข้ากับประเทศนี้ได้เพราะเขาจะสนับสนุนมากเพราะเขามีเงินสนับสนุนมากเลยค่ะอันนี้ก็เรื่องกลาเงเงินก็ปล่อยมันไปเรามาทำเรื่องจิตใจเราดีกว่าจิตใจเราสบายก็พอแล้วใช่ไหมสบายไหมโยมก็ไปเรื่อยอาทิตย์นี้โยมปฏิบัติมาถึงเมื่อวานเนี้ย โยมตื่นสายพระอาจารย์ตื่นมาแล้วแล้วแบบมันมันมีอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนผีมาทับตาหรือโยมที่เกียดกับรูกและโยมก็เไปหลับไปแบบปกติโยมจะตื่นตีสองครึ่งแล้วก็มานั่งสมาธิทีนี้โยมฟังฟังพระอาจารย์ปกติโยมจะไม่เคยหลับเลยนะโยมก็นั่งสมาธิแล้วอยู่ๆมันแบบมันรู้สึกมันเหมือนกับมันหลับข้างในอย่าแล้วมันก็เลยเผลอหอลับไปเลยแล้วมัน พ ม, มาตื่นอีกทีโอ๊ยตายแล้วตีสี่ ต, ตีห้าแล้วหมดไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือวันเนี้ยโยมก็นาฬิกามันปลุกแล้วว่าโยมมันมันไม่ตื่นมันตื่นไม่ได้อะแต่โยมก็ทําทําทบทวนนะโยมก็มานั่งสมาธิทบทวนเอาเออเวลาที่พระอาจารย์มาตอนเก้าโมงเชา้าโยมก็มานั่งฟังเทปพระอาจารย์อือฮึคือคือโยมรู้สึกนิ่งๆไม่คิดมากไม่อะไรแล้ว พระอาจารย์บอกให้โยมพุทโธโยมก็พุทโธไปเรื่อยโยมไปเดินโยมก็พุทโธและโยมเอาเอาเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอพุทโธที่ว่าโยมเห็นหน้าพระต้องเห็นหน้าพระอยู่ข้างหน้าโยมอ่ะและโยมคือโยมจะเป็นอย่างเนี้ยถ้าโยมเห็นหน้าพระเนยใจมันจะสงบอ่ะ คุยโยมพุธแล้วก็โทรโยมพุธแล้วก็โทแล้วโยมต้องเห็นหน้าพระเออเมจิแบบ i n ให้มันเห็นหน้าพระมาอย่างเงี้ยพระอาจารย์โยมทำไหมก็ดูที่ผลอะถ้าสงบก็ถูกถ้าไม่สงบก็ไม่ถูกคือมันก็สงบนะพระอาจารย <IN symmetric, S 1> <ๆ>์คือเราไม่ตื่นเต้นเราไม่รู้สึกเจ้าไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคนอื่นเขาไปไหนไปอะไรกันเราเราจะตื่นเต้นจังเลยเดี๋ยวนี้รู้สึกเฉยเฉยไม่แบบ ไม่อยากจะไปไหนอ่ะไม่อยากจะทําอะไรคือบางทีก็อยากอยู่เฉยๆอยากอนั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะดีแสดงว่าเราเร า, เราไม่เบกขาเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าโยมโยมอธิษฐานว่าถ้าโยมตายแล้วนะโยมไม่อยากกลับมาโลกนี้แล้วเบื่อพอออกไปนอกเห็นคนมันมีแต่ปัญหาทั้งนั้นนะ่ะ มันอธิษฐานไม่มันไม่ได้เลยถ้าได้กันดีทุกคนไม่ต้องทําำในอธิษฐานอย่างเดียว <S <S มันต้องทําอธิษฐานแล้วมันต้องทําต้องไปหยุดความอยากทวุตาให้มาเกิดเนี่ยอยากสวยอยาก ง, งามเนีน่ยตัดไปนะแต่โยมยังซื้อสินซื้อสินเหมือนเดิมสินเจ็ดแล้วก็สิส 7, แสนแปดกันขึ้นโยมอ่ะไปไปแบบรู้สึกเสียใจ เสียใจเรื่องเรื่องประเทศไทยอ่ะนี่ข่าวประเทศไทยเขาจะมีคาสิโนยมเสียใจยมไปฟังอ่าด็ตอร์วีอ่าคุณหมอวีอ่ะแกพูดยมก็เลยแบบเพอไว้เมนชั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะยมรู้สึกแบบไม่อยากให้มีเพราะว่าแค่นี้ยเราก็แย่แล้วแล้ว ย, ยมอยากให้บ้านเมืองพัฒนาไปมากกว่านี้เพราะว่าโยมสงสารเพราะว่า อยากให้ศาสนาพุทธมันจะลงแล้วก็เรามีวัฒนธรรมเยอะแล้วยอมรู้ว่าต่างชาติเขาไม่ไปหรอกเขาไม่เป็นเล่นเขาตรนี้เวลาหาเสียงไม่เห็นไม่เห็นบาหาเสียงว่าจะมาเปิดบาร์กาสิโนเลยนะอเข้ามาแล้วถึงก็บว่ากาสิโนโมันมาจากไหนก็ไม่รู้อืมยอมช่างมันอะช่ามันปะเอาทางนี้ก่อนเดี๋ยวกลายเป็นรายการการเมืองไป กลายประดานโทษค่ยมก็ไม่อะไรยมตั้งจิตอธิษฐานและสัปดาห์หน้าวันสงการยมก็จะปฏิบัติตามพระอาจารย์ท้ามเลยค่ะต้องปฏิบัตินะอธิษฐานอย่างเดียวไม่พอนะต้าไม่ออกไปไหนยมวางแผนแล้วยมจะซื้อของใส่บ้านให้เต็มไม่ออกไปไหนเลยยมบอกกับน้องมาแล้วว่าเออเราต้องมีฮอลลีเดย์อยู่ในบ้านนะยมบอกแล้วออื ว่าโยมก็ตั้งจิตอธิษฐานทำให้ได้ค่ะโยมพอากลังจากพระอาจารย์ด้วยค่ะกรมอย่าทิ้นะพยายามมีนายคำทำเลยยังให้นัะค่ะขอให้พระอาจารย์ท้าถันแข็งแดงจุค่ะยมโตาน้อมส่งน้ำพระอาจารย์หน้าเลยนะจุคะโยมปุวยสุขเจริญให้นั่นไปรวยไปเรื่อยๆนะจุค่าซาตูจุคะ คุปูเปกรรมน้ำสตานเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไมเจ้าค่ะได้ยินจะ้ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ลางานจงการเลยค่ะพระอาจารย์นต่างจังหวัดเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยนสุขพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูก็ดุปฏิบัติไปเรื่อยๆปัจจุบันหนูก็มาช่วยพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดค่ะพระอาจารย์ เพียแต่ว่ามีแรงเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์ถึงนี้จะตื่นเช้าอะค่ะแล้วทีนี้พ่อแบบพ่อแบบแม่ดีมากเลยค่ะพระอาจารย์พลังเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยช่วยพ่อแม่ได้เต็มที่เลยค่ะพระอาจารย์แล้ก็รีบปฏิบัติค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะปกติหนูค่ะทํางานหลายๆโรงพยาบาลใช่ไหมเจ้าคะแล้วทนี้หนูชอบอยู่ในผู้ป่วยระยะท้าย กับทั้งค า, ารวะและพระศงพระอาจารย์ทีนี้หนูชอบสังเกตนะคะเวลาผู้ป่วยระยะท้ายนะคะก่อนจะไปนะคะพระอาจารย์คารวะนี่ก็จ ะ, ะร่างกายจะกระวนกระวายเช่นมเจ้าก่อนเสียะคะ่ะแต่ว่าทําไมหนูสงสัยนะคะครูบาอาจารย์ตอนก่อนมรณภาพท่านไปอย่างสบายนะคะไม่ได้ทุรนทุรายหนูสงสัยตอนนั้นนะคะพระอาจารย์ แล้วทีนี้พอหนูมาเจอปัญหาร่างกายเยอะๆแล้วได้มาฟังธรรมจากพระอาจารย์นะคะก็เลยแบบโอ้เพิ่งเข้าใจนี่แหละค่ะพระอาจารย์ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวจากพระอาจารย์แล้วก็ได้ธรรมโอสฐได้เข้าใจจากพระอาจารย์นี่แหละเจ้าขันก็เลยแบบรู้สึกว่าใจมันแบบมีพลังงานเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ได้มาแบบเจ็บปวดร่างกายมากเลยเจา้าขันปัจจุบัน อาจารย์หนูได้จากการฟังท hmm. no ักพระอาจารย์ด้วยคะคะก็ลุยเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยมาเข้าใจเลยค่ะว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยแหละเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ปกติทุกคนก็เห็นว่าหนูผ่าสมองเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีอาการชักจะมีอะไรหรือเปล่านาจาก็มาดูตัวเองนะคะพระอาจารย์ไม่ค่อยได้ทานยาเยอะเลยนะคะพระอาจารย์ไม่ได้ทานยาหรือเ่าพระอาจารย์เพราะว่า พอหนุนฝปฏิบัติแล้วมันไปสุขที่ใจมันก็เลยไม่มีปัญหาร่างกายมากแต่ว่าเพียงแต่ว่าเวลาเราไม่สามารถบังคับบางอย่างได้เช่นใจยิ้มแต่ร่างกายไม่ยิ้มอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คนข้างนอกก็จะแบบสงสารพอาะเหตุเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนมันสั่งไม่ได้อะค่ะอาจารย์แต่ภายในใจเราแฮปปี้อะค่ะอาจารย์มีพลังเยอะเลยคะ่ะก็ะเลยโชคดี ค, ะคะ่ะอาจารย์ ได้มารอนอปฏิบัติไปเรื่อยๆเจ้าขาอาจารย์เลยลุยเลยค่ะปอ า, าจารย์เลยบอกว่าอะไรที่เป็นประโยชน์เก็บแต้มแต้มเลยค่ะอาจารย์เหมือนเก็บแต้มบุญคะแนนเลยค่ะปอ า, าจารย์โอเคอ่าจุดุาุอา่อาลูกตาช น, นบุรีแม่ลูกสองแม่ลูกอยู่ก้วยกันราทำด้วยกันอืนี่ เดี๋ยววันที่สิบเจ็ดนี้ส่งคุณแม่ขึ้นเขาค่ะเอ่าคุณแม่จะไปลองส่วยกีเลนดูเลยค่ะจะไปลองดูค่ะว่าจะวัวผีหรือเอล่าครั้งแรกนะก็เคยมีว่าไปอยู่ที่ที่วัดเห็นมีไปอยู่แล้วว่ะค่ะแต่งวดนี้ก็จะลองดูว่าไปอยู่แบบที่เป็นป่าค่ะเออผีจริงไหมหรอผีเราไม่จริงใช่ค่ะ เวลาผีเหล่านี้เราใช้สติสู้กับมันพุทธโอพุทธโทไปก็เคยเคยไปอยู่ที่กุุที่มีแม่ชีท่านที่วัดที่มีเจ้าของกุุท่านเสียก็มีเคยไปค่ะก็จะไปทดสอบตัวเองดูด้วยค่ะพระอาจารย์ไปอยู่กี่วันจะอยู่เท่ากี่วันมื่อวันนี้ไปสี่วันนะคะวันที่สี่ก็จะลงมาังเพศหน้ากุุติค่ะแล้วก็ถ้า ถ้าสู้ไหวว่าจะไปเดือนละครั้งค่ะอ่าใจเด็ดนะต้องไปเปเวเวต้องไปเปิดเวเวต้องปฏิบัติคนเดียวค่ะพอไปไปที่อื่นหนูก็เคยไปแบบอยู่ในกุฎคนเดียวค่ะแต่มันมันไม่สงบอะค่ะอเพราะว่ามันมีเรื่องการก่อสร้างเรื่องอะไรคอที่คนมาปฏิบัติอย่างเนี้ยค่ะมันก็เลยไม่ต้องไหร่ก็เลยอยากไปอยู่ที่สถานที่เป็นป่า สงบสงบะค่ะพระอาจารย์แล้วอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านก็ตามหาพุทโธทั้งวันนะคะพอมีสติรู้สึกตัวก็ก็ภาวนาพุทโธค่ะโอเคลูกตาไม่ไปด้วยลูกตาอ๋อหนูยังไม่ไปค่ะหนูยังหนูปฏิบัติอยู่บ้านค่ะตอนนี้นั่งทุกคืนค่ะอาจารย์แต่ว่า ส่งคุณแม่ไปก่อนอค่ะสนับดูแลไปดูร้านเราก่อนนะให้แม่ไปดูร้านเราดนะ แ, แล้วหนูค่อยตามไปอีกทีคะ่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณคุณคุแน่คุณนอนธานีน้ำการนมัสกางประอาารูปไม่มีคำถามแล้วค่ะโอเคคุณยินดีต่อ อินดียะนายกลับไปอยู่กับสามีแล้วค่ะท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ก็ลูกก็ไม่มีอะไรค่ะเดวิดก็เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ก็ฝากความระลึกถึงท่านอาจารย์แล้วก็กราบท่านอาจารย์คำนั้นท์ที่นี้แล้วก็เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์บอลซองเต๊ท่านอาจารย์เหมือนเดิมค่ะค่ะแม็กซี่โบกูเหมือนเดิมนะค่ะแม็กซี่โบกูเหมือนเดิมค่ะสาธุการท่านอาจารย์อ่าคุณจอย งานนี้ขายของอยุ้ยอ่ะไม่ได้ขายแล้วค่ะพรจันทร์ทำอะไรเลยทำเกี่ยวกับคนงานในแคมป์ที่ของออที่ที่ถูกทำหนังสือเดินทางให้เขางเงี้ยทำใช่ไหมมากับสุสานมากับผมตสุสานมาเร็วๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกพระจันท์ก่อนจะไปไหนบอกก่อนได้ลูก วันวันสงการจะไปถือศีลกันค่ะอ่ากี่วันห้าวันค่ะเป็นเดียวเลยไปกันสองคนแ้่ลูกค่ะโอเควันแรกเนี่ยแล้วนูกสาวค่ะลูกสาวค่ะไปกับเด็กไปกับสุขสันต์นะคะมาเกิดตัวเล็กค่ะเด็กคนนี้เด็กผู้ชายเนี่ยค่ะไว้ดีกันค่ะไปที่วัดบางพึ่งเขาเอเขาให้เด็กไปได้ค่ะโอเค เอก็ปฏิบัติกันที่แบบของหนูคือหนูเจอเจอแบบเจอคนพูดไม่ดีตลอดเลยค่ะแต่ว่าไม่โกรธเขานะคะแต่ว่าแค่ไม่อยากยุ่งกับเขาแล้วอะไรเงี้ยเราเราถือว่าเราไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมคะพระอาจารย์เออให้เราเฉยๆไปแต่ก็ไม่ต้องเข้าใกล้เขาใช่ค่ะเขาเขาคอยว่าเราอยู่ตลอดเวลาแบบแล้วแล้วเราก็ต้องโดนตลอดตลอดแต่ก็ พยายามแบบไม่โกรธแต่ก็ไม่อยากยุ่งเงนี้ยถือว่าเป็นข้อสอบฝึกื่อให้มันเฉยๆมันห้ามเขาไม่ได้เขาจะด่าเราเราห้ามเขาไม่ได้แล้วพอเหมือนเขาชอบมาพูดเหมือนประมาณว่าคนเราเดี๋ยวก็ตายแล้วจะอะไรกันนักหนาแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดก็สิ่งที่เขาทํามันมันไม่ใช่ใช่ไหมคะก็อย่างว่าแหละพูดแก็พูดอย่างทําอย่างหนูก็เลยเก็บเอามาแบบคิดว่าแบบ เออหนูก็เลยแบบว่าไปไปหนูก็เลยอยากแบบอยากอยากเข้ามาบวอยากอยากเข้าทางนี้ให้มากๆแบบไม่อยากไม่อยากอยู่แบบมันเหมือนคนมันไม่จริงอะค่ะอ่าคนปอมทั้งนั้นอะคนจริงอะไอย่างใช่ค่ะเอาเอาทางนี้ทีกว่ามันสงบแล้วก็บางทางก็ไม่อยากจะยุ่งหรือพูดอะกับใครมันดูทุกคนก็คือไม่จริงอยู่แล้วมันก็เหมือนใส่หน้ากากหาการทุกวันตัวันเออกินอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งกินอย่าง มันก็เลยเป็นบททดสอบของหนุที่ได้ฝึกแบบทรมะทุกวันเลยค่ะอย่าไปสนใจใปล่อยเขาไปเข า, เขาจะคิดอะไรพูดอะไรก็เรื่องของเขาไปค่ะเดี๋ยวรอบนี้ไปบวที่วันนี้แล้วเดี๋ยวก็รอบหน้าจะไปบวที่วันยาต่อเหมือนเดิมโอเคสาธุอ่าไปที่ใค ร, ม า, ม, ารมาริกามาิกาก่อน ไงไงมาเล็กกาค่ะนมาตการเจ้าขาผ้าจา์มีอะไรไหมไม่มีไม่มีคำถามค่ะวันนี้คุณอาอุสามไม่ได้เข้าสู่ค่ะไปทุระเจ้าขาผ้าจาย์ด้โอเคไม่มีอะไรครับไปต่อนะค่ะคุณสบัฒนาหายหน้าไปนานกับเข้ามาแล้วไปติดอยู่กับสุนัขเือเจ้าขาผาจารย์ ตอนแรกๆไม่ได้เข้าเอซูมไม่ได้ไปฟังธรรมที่กุฏติต้นมีความทุกข์เจ้าค่ะพระอาจารย์<ม>แต่ก็ฟังที่พระอาจารย์สอนไว้ว่าฟังทางโซเชียลก็เหมือนกับฟังกับพระอาจารย์ก็เลยถักวางใจได้เจ้าคะ่ะได้ผลได้ผลเหมือนกันไหได้ไม่เหมือนเจ้าค่ะพระอาจารย์มันไม่อย่างไงก็ไม่เหมือนนะคะแต่ว่าก็พยายามเอาใจไว้ที่พระอาจารย์มันก็พยายามมันก็พอได้แต่มันไม่เหมือนเจ้าค่ะ ไม่เหมือนกับมาทำที่วัเจ้าค่ะแล้วก็ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปที่วัดไม่ได้เข้าสู่ก็ก็ทําที่บ้านอยู่ทุกวันแล้วก็เกือบไปถึงถึงโยม่แม่เจ้าค่ะอาจารย์ตอนนี้แม่เขาก็เ อ, อ่อจากที่สวดมนต์เช้าเย็นก็กลายไปว่าสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิต่อเช้าเย็นอื<ม>แล้วก็ระหว่างวันนี่ที่เคยดูทีวีก็กลายเป็นฟังธรรมเจ้าขาะอาจารย์ อ mm hmm. มันมีช่องทีวีของหลวงปู่สาครที่อยู่เมืองกาเลยเ้าะค mm ่ะอืมก็จะโทรมาอวดว่าเนี่ยวันนี้ได้ฟังทำพระอาจารย์สุชาติเพราะเขาก็เปิดเปิดเทปของพระอาจารย์ด้วยเนาคะ mm ่ะอืแล้วก็มาเผื่อถึงน้องสาวด้วยเนาค่ะที่ว่าพา mm hmm. ไปการาบพระอาจารย์เมื่อเมื่อวันก่อนอืม mm ัน hmm. นิยมก็ตอนนิยมยมทําตามที่พระอาจารย์สอนก็คือให้ชอบในสิ่งที่ไม่ชอบเนาค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ในบางอย่างที่เราเจอได้เจอในสิ่งที่เราเรามีความรู้สึกว่ามันมันไม่ถูกใจเราแต่โยมก็ตอนแรกมันก็อาจจะต่อต้านแต่ก็ค่อยค่อยค่อยค่อยหยุดแล้วก็เฉยเฉยแล้วก็ไม่ไปไม่ไปปรุงว่าอันนั้นมันไม่ถูกใจเราอันนี้มันไม่ชอบมันก็กลายเป็นว่ามันเหมือนไม่กระทบใจอะเจ้าค่ะอาจารย์ไ็ไม่เห็น เม้ว่ะอย่าไม่ยืดอย่ไม่ติดกับสิ่งต่างๆเจ้าคสิ่งที่เชอบก็หันไม่ชอบใช่จะได้เไม่ติดแล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามันไปเจอบางสถานการณ์ที่เราไม่ชอบเนี่ยเราเลี่ยงไปอันนี้ถือว่าไม่ผิดใช่ไหมคะก็ยังไม่ก็ยังไม่สู้ถ้าถ้าสู้ได้ก็ไม่ต้องเลี่ยงอ๋อแต่เรายังไม่อยากจะไปเมื่อไง เจ้าค่ะอย่างถ้าเราเจอคนที่เราเราไม่ชอบหน้าหรือเรารู้ว่าเขาไม่ชอบเราอย่างเงี้ยอื<ม>เราเราเดินผ่านเฉยอถ้าต้องเดินผ่านก็เดินผ่านนะถ้าถ้าเก่งจริงก็ทักเขาสวัสดีจ้าสบายดีนะอ๋อเจ้าค่ะนั่น แ, แผลเมตตาไปเจ้าค่ะโยมจะพยายามทำเจ้าค่ะอาจารย์คือวางเหมือนว่าเราเราไม่มีอะไรกับเขาอย่างเงี้ใช่ไหมเจ้าค่ะใ่ชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบเลย คนใ จ, จ ค, คนไม่ชาก็ต้องสอนดีจ้าแสดงเอาชอบขอเขาแล้วนี่เจ้าค่ะก็พยายามจะไปฝึกตรงนี้ด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์อเืเป็นการแผ่เมตตาอย่างที่พระอาจารย์สอนว่าให้ให้ให้ความดีให้ความเป็นมิตรกับเขาก็คือเป็นินการแผ่เมตตาเจ้าค่ะก็พยายามทําตรงนี้อยู่ด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็เวลาเราจะทําอะไรเนี่ยมันจะมีการหยุด คิดก่อนอันนี้ถือว่าเป็นการมีสติใช่ไหมเจ้าคะใช่มีสติให้คนให้ดีก่อนก่อนจะพูดก่อนจะทำอะไรได<ช>้วค่ะเจ้าค่ะพยายามพ ย, ายามก็พยายามเรียนตรงนี้อยู่ว่าไม่ไม่ให้ไปกระทบใจไม่ให้ไปเกิดปัญหาเบื้องหน้าเจ้าค่ะพระอาจารย์ดีเจ้าค่ะตอนนี้ก็ เ, เรียนฟังธรรมพระอาจารย์ทุกวันก็เอามาน้อมใส่ใจแล้วก็เอามาปฏิบัติเจ้าค่ะพระอาจารย์ อ่าหีซื้อ่ารที่ไป น, น, นอนนอนไนอนนอนเมื่อกี้เห็นก้หมหัวหลับไปเลยดีฟังเลยค่ะวัน น, นี้ไม่มีอะไรครับอาจารย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะขึ้นไปวัดค่ะตอนสงกรานต์ปีนี้ไปอยู่กี่วันเนะ่ยก็ถึงวันที่าวันเนี่ยอยู่5้าวันหนะ้าหกวันนะคะหกวันนะเดีย อ่าก็คงจะแล้วน่าจะดีครับอาจารอ่าก็ไม่มีอะไรตอนนี้ก็นั่งพยายามนั่งทุกวันนะคะอาจารย์บางวันก็ชั่วโมงหนึ่งก็หลุดออกมาเหมันแบบรู้เลยโอ้ยสติไม่แข็งแรงเลยว่าชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีได้ชั่วโมงนี่เ็นวังดีอยู่แต่วันไหนท่านสงุกระหว่างวันไม่นั้นมาจะรู้เลยสองชั่วโมงนี้สบายเลยอาจารย์บอกว่านิ่งนั่งได้อ่ วันในชั่วโมงหนึ่งแล้วแบบเอาละดูๆมาก็เอ้ยต้องแต่ก็นั่งต่อนะพระอาจารย์ก็คือไม่ได้ลุกออกไปไหนนะก็เอ้าก็ก็ต่อไปก็ต่อไปพยายามพยายามทำต่อไปนะแต่รู้ว่ามันไม่ต่อเนื่องอ่ะนั่นนะคะเราทำไปเรื่อยๆใช่ค่ะบางทีลืมมันมีแต่ความเพียรเท่านั้นละค่ะพร ะ, าะอาจารย์ไม่มีใครทําใ ห, ห้เราได้ะะ น, น, นเะเราต้อง ท, ทําเองใช่ค่ะอาจารอันนี้จริงๆเลยค่ะเราต้องทําเองมีส่ ถ้าช่วงไหนทําต่อเนื่องก็จะเห็นชัดไงช่วงไหนว่าผลอยู่ที่งกวรร่าต้นยืดที่ความเพียนอ่าใช่ค่ะอาจารย์แล้วันนี้ไม่มีอะไรคะเข้ามาฟังไห<ะ>ให้กําลังใจนะขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเออขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะจ้าเจา้าคุณนาวินต์คุณนาวินวันนี้ค่ะพระอาจารย์ มีอะไรไหมก็ไ อ, อตัวสติครับมันจะต้องมันเจริญทั้งวันเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ตลอดเวลาเลยทำอะไรให้มีความรู้สึกอยู่กับวุตโธก็ได้อยู่กับร่างกายก็ได้อยู่กับลมหายใจได้ไหมครับอาจารย์มันถ้ามันมีการกระทำอะไรดูที่การกระทํามันจะง่ายกว่าและจําเป็นกว่าดูลมได้เฉพาะช่วงที่เรานั่งเฉยเฉไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ทำอะไร เวลาที่น่างกายเคลื่อนไหวก็ดูกําลังเคลื่อนไหวกําลังเดินกําลังกินกําลังทำอะไรก็อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่เดี๋ยวมูมตาไปดูลมเดินไปเดินไปเดินชนนู่นชนนี่ก่อนอืมครับเวลาจเจริญอนาภิณสติครับอาจารย์พอถึงจุดหนึ่งมันจะเหมือนลมหายใจมันจะหายไปเลยก็รู้ไปตามความเป็นจริงหายก็หายไปไม่หายก็ไม่หาย แล้วก็ดูต่อไปดูอยู่ที่จุดเดิมนั่นแหละที่ปลายจมูกนั่นไม่ต้องเปลี่ยนที่ไม่ต้องทําอะไรเราดูเพื่เราฝึกใจเพื่อให้เราใจนิ่งให้มันดูเฉยเฉยเดี๋ยวมันจะได้เป็นศักด์แต่ว่าลงไปอืแล้วเวลาถ้าเราจะเจริญปัญญานี่เราใช้เวลาต้องรอให้เราไม่ได้นั่งสมาธิกันช่วงฝึกสมาธินี้เราไม่ไม่เจริญปัญญา เวลาไม่ได้จะไม่ได้ฝึกสมาธินั้นจะเป็นเจริญปัญญาก็ได้เพราะมันานมันมันสวนทางกันถ้าเจริญปัญญามันต้องใช้ความคิดถ้านั่งสมาธิต้องการหยุดความคิดนยนานคนละค น, คนละเรื่องกันทำพร้อมกันทีเดียวไม่ได้ mm hmm. นั่งสมาธิไปให้ให้จุดนิ่งพอ n ิ่งแล้วไปคิดทางปัญญามันก็หายนิ่งเลย นี่ไปนั่งมันในเสีเวลาทำไมถ้าจะใช้ปัญญาเราเวลาะวันนั่งสมาธิอพอนั่งเสร็จแล้วถึงค่อยมาจเจริญปัญญาใช่ไหมครับอาจารย์อ่รื่องราบต่อไปเราสะดวกตอนนั้นตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเจริญปัญญาได้ตลาดแล้ตอนนี้ก็เจริญได้เนี่ยมันนี้คิดถึงตายรักคิดถึงร่างกายเป็นทุกข์ไม่ไม่เห็นตัวเราของเราเป็นดินน้ำลมไฟมอาการสาสีสองเนี่ยคิดได้ทั้งวันเลยยกเว้นเวลานั่งสมาธิเท่นี้ แล้วเวลาเราจเจริญสติแล้วเราจเจริญปัญญาด้วยได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็ถ้าไม่ถ้ามีสติมันก็ได้ถ้าไม่มีสติมันก็จะไปเจริญทางกิเลสมากกว่าอื mm hmm. มเพาะกิเลสมันจะดึงไปถ้าไม่มีสติดึงมามันจะถูกกิเลส ด, ดึงไปให้ไปเจริญทางลาบยศสรเสริญสนุกแทนหางเงินที่ไหนดีไปเที่ยวที่ไหนดีไปกินที่ไหนดีอะไร ไอ้ตัวอวิชานี่มันอยู่กับผู้รู้เลยป่ะปครับอาจารย์ครับก็เป็นตัวที่คอยครอบงำตัวผู้รู้อยู่แล้วนี่เลยรู้สึกว่กาตัวอวิช า, คามความหนุงครอมงามให้หลงไปหารามยศเสริญสุขแทนที่จะไปหาธรรมะมเราต้องใช้ปัญญาใช้สติสร้างสร้างสร้า ง, างความรู้ที่แท้จริงคือปัญญา ให้รู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นตายแลกเป็นนิจจ์ทุกขังแล้น่าตาต่อไปมันก็จะหายหลงมันก็จะไม่ไปหาลาบด้วเสริญสุขครับมันจะเข้าไปในใจได้ยังไงครับอาจารย์มันก็ทำไปบ่อยคิดแบบบ่อยทำไมบ่อยแล้วก็ลองปฏิบัติที่เวลาเจออะไรใครเอาเงินเราไปเขบอกว่ เ, เนี่ยไม่เป็นไรเรามันต้องเฉยได้ไม่เที่ยงเงินไม่เทียเท่ยวของเราอืม นะร่างกายไปโดนอะไรเข้าเจ็บตรงนั้นเปื่อนนี่ก็ไม่เป็นไรร่างกายมันก็เล่าเจ็บเป็นธรรมดาไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจครับฉเฉยเข้าใจไหมการเจริญปัญญาเพื่อให้ใจวางเฉยไม่ให้ตื่นเต้นตกใจวุน่นวายไปกับอะไรทั้งสิน้นอะไรจะเกิดก็เกิด อ, อะไรจะดับก็ปล่อยมันดับไปร่างกายเรานี่ก็เหมือน เหมือนรถยนต์อย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับอมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องแต่เดี๋ยมันก็ต้องเจ็บเดี๋ยวมันก็ต้องตายในตัวขันห้านี่มันก็ก็เป็นคล้ายๆกันใช่ไหมครับมันมันทำงานของมันเองใช่ไหมครับอาจารย์ครับขันห้างก็ส่วนนึ่งก็คือร่างกายรูปประขันก็คือร่างกายครับลงนามขันก็คือความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในใจเหมือนมันทํางานมันเองครับอาจารย์ครับถ้าเราไม่ปฏิ มันทำของมันเองมันทําไปทางกิเลสกิเลสเป็นผู้นึงมันไปทํากิเลสมันก็จะดึงให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นรสประเสริฐเด็กแล้วก็ติดในอย่างกจะเสพในการปัญญาเสพติดไปเวลาไม่ได้เสพก็ทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องเลิกเสพเด็กมันไปอยู่ในป่าในเขาแทนในทางปัญญาเขาปล่อยเฉยๆนี่มันกิเลสจะทํางานของมันเองใช่ไหมครับอนนี้มันมันทํางานของมัน แต่มันมันครอบงำใจเราอยู่เนี่ยมันเป็นเป็นท่วม์กำกับใจเราอยู่เราต้องใช้สติมาแล้วก็ใช้ปัญญามาับมาสวนมันมาสู้กับมันครับอันารที่จะไปหาลาบยศสาเสื่อมจก็ไปหาความสงบหาเถอะหาป่าหาเขาครับแล้วเวลาหลับเนี่ยเวลาหลับมันก็ทํางานของมันไปใช่ไหมครับอาจารย์ แเวลาหลับเราก็ไม่สามารถไปควบคุมมันได้เพราะเราไม่มีสติตอนนั้นมันก็จะถูกบุญกับบาปเป็นผู้คอยผักนั้นถ้าบุญเยอะก็มากกว่า บ, บาปบุญก็จะผักดันให้มีฝันดีถ้าบาปมากกว่าบุญมันก็จะทำให้เกิดฝันได้ขึ้นมารก็เหนื่อยจะเพียรปฏิบัติครับพระอาจารย์ครับโอเคสาธุครับขอบคุณครับอ่คุณซาลินดอน อาทิตย์ี่แล้ไม่เห็นกันนะไม่เจอกันนะครับแล้วค่ะพอดีอาทิตย์ที่แล้วหนูมีอนัดคุณหมอไว้อะคะ่ะนัดนัดไปคอนซัลเทชันนะคะก็เลยมาเข้าค่พระอาจารย์ก็แต่อาทิตย์ก่อนหน้านั้นหนูไปปฏิบัติธรรมมานะคะแล้วหนูก็รู้สึก ท, ที่บอกว่าจองจองไว้แล้วที่จะไปใ ช, ใช่ค่ะพาอาจารย์ก็ไปไปแต่ไปแค่สามวันนะคะแล้วก็หนูรู้สึกว่ามันมันเหมือนอยู่ในอีกโลกนึงเลยอะคะ่ะ คนก็ดีคือทุกอย่างมันมันมันดีไปหมดอ่ะคะ่ะมัน ม, นมคนละที่คนละที่เลยคราวที่แล้วใช่ไหมที่เคยไปไม่อ่าคนละที่กันค่ะแต่แต่หนู่จะลองกลับไป <laughs> อีกหนึงด <laughs> อูอย่างนี้อย่ากลับไป ล, งลังดูอีกทีเลยใช่ค่ะเพราะเหมือนกับว่าก่อนก่อนหน้านี้เป็นเพราะเราดูลมหายใจไม่เป็นไงคะ<อ>แต่ถ้าตอนนี้หนูก็ยังหนูก็ยังติดพุดโทโธอยู่นะคะครูอาจารย์ hmm. หนูก็มีคําว่าพุโทโธอยู่แต่อย่างน้อย เรารู้แล้วว่าเขาพูดยังไงเนี่ยเราอยัดเอนเอียงตามเขาเราก็ต้องเราต้องมีตัวสติกํากับเพียงแต่วิธีการเหมือนกันแต่เราต้องกํากับให้ได้อะค่ะหนูก็เลยตั้งใจว่าหนูอาจจะไปลองเอาสามต้องชนะได้ค่ะเพราะว่าทุกวิธีการก็คือมันก็คือมุ่งเข้าสู่ความสงบแล้วเสร็จแล้วก็ไปเจริญปัญญาเหมือนกันหมดอะค่ะเพียงแต่ว่าณวันนั้นมันมีแต่ความสงบแต่มันไม่มีสติแล้วมัน มันพลาดไปอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูต้องเอาชนะ ห, หนูต้องไปลองดูนานเลยวาโอเคต้าไปนานนะคะก็ก็าาาอาจจะไปแค่ไปขอสั้นๆอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ลองดูว่าถ้ามันถึงเลเวลที่เข้าสู่ความสงบได้แล้วก็ใช้สติ ก, กับเราเราค่อยเราค่อยพิจารณาปัญญาะคะ่ะก็มีอะไรหนึ่งหนูใจะให้ไปมันไม่มีอะไรหรอกค่พระอาจารย์หนู อาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่ไม่ไม่ค่อยมีสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคะ่ะพระอาจารย์มไม่ค่อยมีแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูอยู่บ้านเนี่ยมันก็มันก็จะมีเรื่องวุ่นวายเดี๋ยวก็ต้องแอบลุกขึ้นมาทํางานเดี๋ยวก็มันมั น, ม, นมันมันมีความกังวลใจสูงอะคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยต้องตัดมันทิ้งให้หมดอย่างเงี้ยค่ะแล้วกอ็อันที่พูดถึงนี่คือที่โกงก้าใช่ไหมอันอันที่อาทิตย์ที่แล้วที่ไปนี่เป็นวัดอะคะ่ะเป็นวัดสายแต่นที่อยากจะกลับไปใหม่เนี่ย อะไรกันใช่พระนท์เนีน่าไหมคะหรือว่าอย่าเสียงก็ไม่รู้แหละถามว่าสติได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคือไปทั้งหมดอ่ะห้าวันแต่ปฏิปฏิบัติจริงๆสามวันเต็มๆอย่างนี้ยค่ะแล้วก็ไปพูดไม่ใช้โทรศัพท์ไม่อะไรนะท่นักนก็ดีชอแบบนี้ใช่ไหมชอบแบบไม่ชอบแบบที่มีเดินจงกลมค่ะแล้วก็มี แต่มันลองดูลองดูเพราะว่าถ้าเท่านี้ไปแล้วรู้ว่าไม่ใช่จริตของเราจริงๆเราก็อาจจะยอมยกเลิกแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปปฏิบัติที่วัดแทนเนี่ยค่ะอืมก็ดีถ้าเราถ้าเราเดี๋ยวถ้ามันได้ประโยชน์ก็ไปค่ะคือหนูเข้าใจคอนเซปต์ว่ามันมันดีคือคอนเซปต์โอเคเพียงแต่ตัวหนูเองทําไม่ได้เท่านั้นเองอะค่ะอ่าอะไรไปเครียดกับมันเ่ ใช่คะ่ะหนูก็เลยว่าขอลองอีกสักทีหนึง่งใไหนมันก็ผ่านมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วเราอาจจะเราอาจจะพอไหวก็ได้ะคะ่ะพระจานทร์ค <Okay. S 2> ่ะ <Okay. S 2> แต่ปฏิบัติออกมาเสร็จแล้วก็ดีช่วงนั้นนะคะแต่พอออกมาก็เจอสิ่งฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยค่ะพระจานทร์ mm. หนูก็รู้สึกเหนยวหลไปสองสาวันนะคะเ mm. พราะพอออกมาแล้วพอเราเครียดเราก็เริ่มแทนที่เราจะไปปฏิบัติเดินจงกรมให้เจริญสติหนูกับหนูกับไปดูละครมาสัก ก็เลยเลวไหลอ่ะ <le> ค่ะ <light> แต่พอได้กลับมาฟังพระอาจารย์อีกทีหนึ่งหนูก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วทําไมเราแย่อย่างเงี้ยคะ่ะมันเอาใหม่ค่ัพระอาจารย์โอเคยังไงก็กลับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่สอนนะคะเปน็นอย่างใจงวดกดขันอย่ยปล่อยใจให้ไปทางกิเลส น, นะค่ะคือค่ะพระอาจารย์ก็แอบแอบมีความเครียดเรื่องอลูกการเรียนของลูกอะคะอ่ะแล้วก็มันจะมันจะไปยาวเลย ค่ะตอนนี้ตัดสินใจได้แล้วคะ่ะว่าจะเอาอยัางไงกั บ, ก, บกับเรื่องเรื่องชีวิตต่อไปก็น่าจะกลับมาแล้วค่ะพรอาจารย์เอาไหมค่ะโอเคขอบคุณพระอาจารย์มากมานะคะขอแคุณเมื่อกี้เห็นคุณจิ๊บเข้ามาแล้วหายไปแล้วยังอยู่ยังอยู่เดยอกลับมาเพราะว่าเห็นเห็นจิ๊บเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าภาษีอ่ะค่ะออเแล้วก็งานเยอะมากกับบ้านเข้ามาแล้วเข้ามาแล้เห็นไปเข้ามอยู่นะ ค่ะพระอาจารย์ค่ะยังไงก็กลับขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะคะาสาธุ น, okay, นะคะไม่ได้คุคนิงตอบคุนิงจากสการ์พระอาจารย์ค่ะได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนจา้าพระอาจารย์วันนี้เห็นรูป mm hmm. ที่ตัวเองโพสต์ไว้ในเฟซเด้งขึ้นมาที่ขึ้นไปไหว้บนเขาโอ้แปดปีแล้วนะคะพระอาจารย์แปีแล้วนะแ ป, ะปะ๊บ 8ปดปีแล้วค่ะตั้งแต่เพร่อวหนูไปจำได้ว่าสองพันสิบเจ็ดที่เด้งมาสักสิบแปดออมาตอนนี้เราก็เลยมานั่งนับเจ็ดแปดแปดปีแล้วยิงได้แค่นี้เองแล้วหนูก็เลยขับตัวเองค่ะแต่ว่าก็ก็ถือว่าดีขึ้นค่ะเพราะว่าเคยตั้งใจตั้งนานแล้วค่ะว่าขอให้เจอผูาจาย์ที่แบบว่าให้สติ หรือทางปัญญากับเราอะที่ให้ความรู้กับเราจริงๆหพรหนูหักจริงๆอ่ะหามานานแล้วนะคะพระอาจารย์ mm hmm. เป็นสิบสิบปีเพราะาเคยเคยฟังอ่าเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์ก็เลยปาเกาะติดพระอาจารย์แตอนนี้ที่อยู่ใกล้ตามที่ตัวเองสร้างใจไว้ก็ไปเรื่อยๆที่เคยบอกกับพระอาจารย์ว่าสองปีแล้วก็ปีที่สามเนี่ยหนูจะพยายามไม่ให้ขาดแม้แต่อันที่เดียวก็อ่า ได้ตามที่ตั้งใจไว้การแล้วก็พาเด็กๆไปด้วยค่ะพระอาจารย์นตอนนี้แต่ที่บ้านก็ฝึกแล้วก็ทํำเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แต่ <M. S 2> สิ่งที่จะอุจจับได้ก็คื อ, <M. S 2> อการเจริญสติยังม <M. S 2> ี M. M. เด็กใหม่เข้ามาด้วยนะค่ะพอด<ม>ีลหลานมาค่ะพระอาจารย์เ<ม>ขา อ, อยู่ต่างจังหวัด<ม>ก็พาไปด้วยเหมือนลิงเลยค่ะพระอาจารย์อ<ม>ืแต่ก็ไปไปไปด้วยก็เริ่มเหมือนเหมือนที่เด็กอ่าที่ลิงสองตัวไปก่อนนะคะ ก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่ถ้าเข้าไปเรื่อยๆเขาก็คงจะนิ่งอะค่ะพอาจารย์พรดีเดกับชิดเคเขาก็รู้เรื่องแล้วค่ะเขาก็นิ่งของเขาละเขารู้ละครับพระอาจาเขาก็อ่าบอกว่าถือพอถึงเวลาอ่าไปไปหาทุ่จ้าเอาน้ำเอาอะไรไปขนขึ้นรถแล้วก็ไปให้ขนมอ่าอาหารปลาครับะาจาแล้วก็บางทีก็ปวดหัวทั้งคนแก่ทั้งเด็กแต่ก็ ดีค่ะทําให้เราได้เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างหลายสิ่งหลายอย่างแต่บางทีก็อยากจะอ ย, ะอยู่คนเดียวอยู่ในห้องคนเดียวเงียบแล้วก็ ก, ก็นั่งสมาธิไปเรื่อยๆครับอาจารย์จากที่นั่งไม่ได้สามสิบสี่สิบห้าสิบแต่ว่าพอถึงเวลาไหนที่เราอยากจะพักสายตาเรา ก, ก็นั่งเลยนั่งเลยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับอาจารย์ฝึกเรื่อยๆคะ่ะก็จะได้อเหมือนกับว่าตัวเองได้พักพักใจด้วยครับพระอาจารย์ ได้ยิ่งนั่งได้เท่าไหร่ยิ่งดีแตสบายที่นี่มีคนมีประโยชน์ไม่มีพิษไม่มีภยัยใดอย่างได้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามีความสุขและที่อยู่กับตัวเองบางทีก็อันไปมองเฉยๆเขาก็ว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะพระอาจารย์เพร า, าระเราอยากอยู่นิ่งๆค่ะพระอาจารย์การเาจริญเขาไม่รู้เรื่องของความสงบว่าเป็นยังไงค่ะเราก็พูดไม่ได้ค่ะพระอาจารย์เพราะบางทีก ดื่นเขมองคนในบ้านเามองเหมือนเราไม่สนใจไม่ใช่นะครับอาจารย์บางทีเราเราเข้าใจคะ่ะแต่ไม่อยากจะอะไรมากมากยแค่นั้นนะคะอาจารย์เวลาพูดพูดไปเขาก็าไม่เข้าใจค่ะใช่ค่ะอาจารย์เขาก็หาว่าเราพูดอะไร อ, ะ อ, อ๋อหนูเข้าใจแล้วค่ะบางทีเนี่ยเขาก็ต้องการความถูกใจยไม่ไม่ได้สนใจว่ามันจะถูกต้องหรือเปล่าอะไร อ, อย่างเงี้ยเราก็เฉยเฉยอ่าไม่เป็นไรก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะพอพูดไปก็ไม่ ไม่พอใจครับพระอาจารย์ถึงอย่างเนี้ยค่า<ม>เราพูดสิ่งที่ถูกต้องเขาก็ไม่พอใจเราก็เอ่ะเฉยเฉยดีกว่าบางครั้งก็คือหยุดการทะเลาะกันครับพระอาจารย์ใช่ทะเละา ะ, เละกันไม่เกิดประโยชน์เลยอย่าไปคุยค่ะใช่ค่ะมันมีแต่ทําให้อ้อ า, าลุกคุนมัวใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์บางทีโลแบบสบายสบายไปเอา้าจะมาขุนมัวแต่ว่าเวลาที่จะขุนมัวก็คือหนูจะทํางานบ้านถูบ้านกว่าบ้าน เหมือนกับว่าตัวเองสะอาดด้วยใจเราก็นิ่งไปด้วยอะไรประมาณกับอาจารย์ก็ไม่มีอะไรหนูก็จะพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆกับอาจารย์สู้ไมถอยสู้ไม่ถอยนะค่ะอาจารย์ก็ไปเลยค่ะอ่าเด็กชายนักคุณนคุณได้ยินไหมเข้ามาหรือเปล่ามาแล้ววันนี้เข้ามาสามนัการาชการค่ะอาจารย์หนูเพิ่ง สะดุ้งกลับมาค่ะไปไปซื้อของมาค่ะแล้วกลับมาอุ้ยที่ไทยสองทุ่มแล้วนี่นะนและนะ้วคุณก็หลับไปพอดีเลยค่ะก็เลยไม่ได้ปลูกค่ะพระอาจารย์ อ, เ, อเมื่อกี้เป็นภาพภาพนิ่งเลยภาพนิ่งค่ะพอดีจัดของไปแล้วก็ฟังพระอาจารย์ใส่หูฟังไปแล้วพระอาจารย์เรียกรีบกระโดดมามไา ย, าย้ยายไปที่บนเตะ มานั่งโอ้โหไม่ได้ออกไปข้างนอกเท่าไหร่เลยค่ะพระอาจารย์มาที่นี่ก็นั่งประชุมตั้งแต่เช้ายันมืดเลยค่ะเพราะว่าเวลามันเร็วกว่าที่ไทยสองชั่วโมงใช่ไหมคะหนูก็ต้องทางานตั้งแต่เช้าจนสองทุ่มเลยค่ะพอดีมีไปทำงานที่ออฟฟิศเลยทําที่บ้านทําอยู่ที่บ้านค่ะทําอยู่ที่ที่ห้องค่ะใช่ค่ะงั้นอยู่ที่เมืองไทยก็ทําได้ใช่ไม่ใช่ค่ะ ที่เมืองไทยก็ทำได้ค่ะพอดีมาทาเรื่องเอกสารต่างๆศาสตราจารย์ก็เลยมาก่อนจริงๆมีประชุมประมาณอาทิตย์ที่สามของเดือนนี้ค่ะแต่ว่ามาก่อนสองอาทิตย์ค่ะค่ะนะคุณกหลับไปแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปเดี๋ยวพาไปอีกค่ะตอนนี้เกือบห้าทมแล้วค่ะับไปแล้วค่ะอืมโอเคามากเลยค่ะ เดี๋ยวไว้กลับไป ไ, ไปจักป่าพระอาจารย์อีกาาค่ะอช่กกาาสาธุค่ะนวมัสการก็ค่ะอคุณหมอสุทัศิเนนวมัสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะสบายดีนะสบายดีเจ้าค่ะสงบดีไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายค่ะเอ่ดีรักษาความสงบไว้นะ แล้วค่ะท่านพ ร, ระอาจารย์ขอบพระคุณทุกค่ะทุกไปในคนชั้นนี่ต่อชั้นนี่ถามนรมาส ก, การค่ะพระอาจารย์ก็ครั้งนี้ก็กลับมารักษาศีลแปดเหมือนเดิมแล้วค่ะอืมหายแล้วเลยค่ะก็ดีขึ้นแล้วค่ะพระอาจารย์ก็อาจจะมีมปวด น, นิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่เยอะมากไม่ไม่ได้กินไม่ได้ใช้ยาใช้ธรรมโอสถแล้วก็ นอนนอนพื้นได้แล้วค่ะก็ติงแปดคบค่ะเริ่มค่ะเืเรื่อ ง, งไม่กินข้าวเย็นไม่มีปัญหาอะไรนะไม่ไม่มีค่ะพระอาจารย์แต่ว่าจะกินจะกินก่อนบ่ายโมงเพราะว่าพักได้ตอนเที่ยงอะคะอ่ะอก็เลยกินเป็นก่อนบ่ายโมงได้ไปเช้วโมองหนึง่งค่ะพอาจารย์คะหนูมีคําถามค่ะ เอ่อพสโสดาบานนี่คือจะต้องปล่อยวางความร่างกายแล้วก็การกลัวความเจ็บปวดได้ทั้งหมดใช่ไหมคะใชไ่ไม่กลัวความเจ็บปวดของร่างกายไม่กลัวความตายของร่างกายไม่กลัวความแก่ของร่างกายอย่าไม่กลัวแก่เจ็บตายหรือร่างกายของคนดืวยก็ไม่กลัวเหมือนกันคนด้วยจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อน ค่ะก็คือเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางได้ได้ทั้งหมดมแต่ยังหลงรักยังยังหลงร่างร่างกายที่สวยงามอยู่เห็นร่างกายที่สวยงามก็อมชอบยังชอบอยู่ต้องพิจารณาสุภาั้นต่อไปต้องให้เห็นร่างกายว่าไม่สวยงามค่ะพระอาจารย์ทางที่จะไปก็คือศีล ส, สมาธิปัญญาใช่ไหมคะใช่แต่ว่ามันจะ ข้อสอบมัญจตัางกันในระดับปัญญาัมนมีอยู่สิบข้อสอบด้วยกันสามยีสิบเลยแต่แ ต, แต่สิ่งกระสมาที่นี้ต้องมีมีพร้อมเท่ากัน ท, กทุกระดับเราต้องมีสมาธิที่ตั้งมัน่นเป็นจิตที่ไม่เบกขาถึงจะสามารถไปเจริญปัญญาของแต่ละทาข้อสอบของแต่ละข้อได้ พระสดาบันท่านที่ที่บรรลุแล้วท่านก็จะทราบโดยอัตโนมัติใช่ไหมคะว่าท่านหมด<น>ความกลัวพวกนี้แล้วท่าไม่กลัวเพราะท่านไปพิสูจน์ด้วยตัวเองไปหาที่น่ากลัวอยู่แล้วจะสิ่งที่น่ากลัวออพิจนานรณาด้วยปัญญาปล่อยวางว่ออรารลางกยไม่ใช่ตัวเราของเราพอปล่อยภาพความกลัวก็าหายไป ก็รู้ว่าอตอนนี้เราไม่โกงความตายนะ้วเดความเจ็บก็ต้องไปฝึกนั่งสมาธิไ้ให้มันเจ็บแล้วก็ปล่อยให้มันเจ็บไป <c oughs> ให้มันเกิดเองหายเองไปไม่ต้องไปทำอะไรถ้าปล่อยได้มันก็มันก็ผ่านได้ <c oughs> ถ้าปล่อยได้หมดก็คือจะไม่ว่าจะเกิดความเจ็บอะไรอีกกี่ครั้งก็คือจะไม่ ไม่กลัวแล้วใช่ไหมคะไม่กลัวไม่ทุกไม่กลัวไม่ทุกแต่ยังรักษาได้อยู่ก็รักษาไปปวดฟันก็ไปหาหมอได้อยู่ปวดหลังกายก็อยากไปรักษาก็ได้อยู่แต่ไม่ได้ไปอยากจะรักษาไปถ้ากลับไม่มีไม่มีหมอไปไม่มีเงินไปรักษาก็ไม่ไปก็ได้แต่ถ้ามีเงินไปก็รักษาได้ก็รักษาไปได้ทั้งสองทาง ค่ะแล้วในขั้นปฏิบัติที่จะให้ถึงพระโสดาบันนี้มันต้องระวังอะไรที่จะทําให้เราหลงทางอย่างนี้ไหมคะพระอาจารย์มีข้อควรระวังอะไรไหมคะต้องให้ได้สมาธิก่อนนะให้ได้สมาธิาธขั้นขั้นฌานสีเรียกว่าอปนาสมาธิอื <c oughs> แล้วถ้าเกิดเราเป็นจิตที่พิเศษได้อภิญญาเราก็อย่าไปติดอภิญยาเพราะมันมันจะทําให้เราหลงทางได้ อย่าไปติดอะเพนาถ้าเรามีตาที่ผู้ที่เห็นนรกเห็นสวรรค์นี้ต้องดึงใจกลับอย่าไปเที่ยวอย่าไปหลนใจให้กลับมาให้อยู่ในอุเบกขาให้ใจนิ่งๆเฉยๆแล้วกออกจากสมาธิมาก็พิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาต้องยอมรับความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ค่ะพระอาจารย์ ยังไงราได้ยังร่าความแก่ได้ยังกลัวความแก่ไหมความแก่ <c oughs> มไม่ไม่กลัวค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่ถึงยังไม่เห็นในต่อไปถหน้าต า, า, าเรากลายเป็นคนแก่เป็นยังไงบ้างค่ะก็เคยเคยคิดภาพอยู่ค่ะก็ก็เฉยเฉยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าใน ก็มันยังไม่ถึงเวลานะคะก็เลยไม่รู้ว่าพอเป็นจริงๆแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนคิดภาพไม่กลัวค่ะอืแต่ความเจ็บยังโกยถ้ า, จาเจอลูกมะเร็งนี้ยั ง, งกยอยู่ถ้าคิดไม่กลัวค่ะแต่ว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกมันต้องเจอของจริงใช่ไหมคะมันถึงจะรู้ว่าเราปล่อยได้จริงๆริหรือยังใช่ถ้าไปหาหมอ <c oughs> หมอบอกว่าเป็นมะเร็งนะจะรักษาไหมหรือไม่รักษาค่ะอื่ แต่ที่แน่ๆคืออัปปนาสมาธิยังไม่ได้เลยครับอาจารย์ไม่ได้ก็พยายามอัปปนาให้ได้ถ้ายังไม่ได้ทำใจไม่ได้เจอความเจอความเจ็บเจอความตายมันจะทำใจไม่ได้ค่ะพระอาจารย์หนูถามถามแผนที่แบบละเอียดค่ะกลัวกลัวหลงทางค่ะพระอาจารย์ไม่หลงหรอกนะบางทีนี่บ่อยไม่หลงถ้าหลงขั้นสมาธินะไป ไม่ได้ปัญญาแล้วก็ไปอาจจะติดอภิญญาชอบไปเที่ยวสวรรค์ชอบไปเที่ยวนรกเจอเปดเจอเจ อ, เจอดวงวิญญาณต่างๆถ้าอันนั้นน่าจะวางใจได้ค่ะไม่เคยเห็นอะไรเลยค่ะเอะนีถ้าไม่เห็นก็ไม่มีปัญหาเลยคนน้อยคนที่จะเห็นของเหล่านี้น้อยละน้อยละห้าคนนะน้อยคนจะมีสักห้าคนครูบาอาจารย์ทัน้นเลาให้ฟังที่มีปัญญา ถ้าไปติดอภิญยามันก็จะไม่ได้ อ, อุเบกขามันก็จะไปทางปัญญาไม่ได้อย่างพระเทวทันนี้ก็ไม่ได้ไปทางปัญญาเราไปติดเราไปติดอภิญญาเราไปคิดว่าอภญนานี้ทําให้ตนวิเศษก็เลยอยากจะเขอพระเจ้าเป็นผู้ปกครองสมต่อไปพอพระพุทธเจ้าปฏิเสธฤกษ์คือความโกรธก็โผล่ขึ้นมาทันที ต้องระวังเลยค่ะพอดีเมื่อคืนก่อนป่นค่ะพระอาจารย์ว่ากําลังขึ้นรถไปมหาลัยแต่ว่าลงผิดลงผิดป้ายค่ะนึกว่าถึงแล้วแต่จริงๆยังไม่ถึงกลายเป็นโรงเรียนมัธยมค่ะแลก็เลยต้องวิ่งเดินต่อไปเองค่ะขึ้นนงขึ้นเนินเจอพระอาจารย์กําลังขึ้นรถกลับด้วยนะคะแล้วก็มองเข้าไป มองเข้าไปหาพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ก็มองกลับมาด้วยค่ะแต่ว่าในใจเราก็คิดว่าเผื่อพระอาจารย์จะชวนขึ้นรถไปด้วย<ม>แต่ว่าก็พระอาจารย์ยิ้มให้กําลังใจเฉยๆค่ะแต่ว่าบนรถนี่แบบพระอาจารย์พาลูกศิษย์ไปเต็มคันเลยนะคะ<ม>แล้วก็แต่ว่าหนูก็ต้องเดินต่อไปค่ะแต่ว่าเห็นพระอาจารย์ยิ้มให้ก็อ้อได้กําลังใจแล้วก็เดินต่อไปเองก็เลยแบบอ๋ อ, อเด<ม>ี๋ยวต้องถามแผนที่ละเอียดแล้วค่ะ ก็เดินไปแล้วก็เจอแบบทางที่แทนที่จะเดินไปทางตรงได้ก็มีเขาก่อสร้างทางก็ต้องเปลี่ยนทางอีกค่ะแบบมีอุปสรรคค่ะก็แล้วก็ไปทางแล้วก็เหมือนเรารู้ทางแต่ว่าไม่รู้ทางแน่ชัดว่าจะไปทางขึ้นบนหรือลงล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีมีกายามิตข้างหลังส่งเสียงบอกว่าไปทางนี้สิทางนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาก่อน ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอบนี้จะต้องถามทางอย่างละเอียดเลค่ะกลัวหลงโอเคค่ะว่าจารยนั่งกายไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยมเป็นทุกข์ถ้าเราประยัให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะได้ค่ะอาจารย์หนูจะตั้งใจปฏิบัติให้ได้ค่ะในชาตินี้ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะคุณเอิงต่อเอยังไม่เปิดใหม่เลยเปิดแล้ว มาสการค่ะพระอาจารย์อือยังไงวันนี้หมอใหม่ไม่ได้เข้านะเราไม่ได้คุยกับพี่หมอใหม่เลยค่ะค่ะก็วันนี้จะอ่าก็อ่วันนี้ก็จะมารายงานการปฏิบัติค่ะจริงๆก็รู้สึกตัวเองว่าถ้าเอางิงปฏิบัติแบบในชีวิตประจำวันนะคะมันก็ไม่ได้มากเท่ากับการอยู่วัดอยู่วิเวกค่ะ แต่ว่าสิ่งที่เอิงพยายามทําอะค่ะพระอาจารย์ก็คือว่าพยายามรู้สึกตัวตอนที่ออใช้ชีวิตประจําวันคะ่ะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเดินก็รู้ว่าเดินกินก็รู้ว่ากินอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วก็สิ่งที่เอิงจะถามพระอาจารย์วันนี้คะ่ะก็คือว่าเอิงอยากถามว่าความความสงบที่พระอาจารย์หมายถึงถ้าเราเอามาใช้ในชีวิตประจําวันอะคือสงบจาก กิเลสไหมความว่าโลภโกรธหลงด้วยหรือเปล่าคะใช่แต่มันจะอยู่ในสมาธิพออย่างสมาธิมาความโลภโกรธน้องก็จะเฟื่องขึ้นมาอีกค่ะพระาจารยแล้วก็การปฏิบัติที่เอองทำอยู่อ่ะค่ะเอองรู้สึกว่าในชีวิตประจําวันของเอองอะเองอ ะ, องอะมันเหมือนแบบว่าอยากปลดทาระที่เราเคยทําไว้ตอนที่เราไม่รู้เรื่อยๆแต่ว่าเอองก็ยังเหลืออยู่ บางอย่างเช่นงานที่มันสามารถให้เงินในการเลี้ยงชีพได้กับเรียนให้จบเราวันหนึ่งสุดท้ายแล้วว่าเอิงจะมีกำลังในการแบบปลดถูกอย่างไหมคะคือตอนนี้เอองรู้สึกว่าเอิงเหลือสองอย่างในชีวิตค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรสํงคั้งเท่ากับการปฏิบัติธรรม ถ้าปฏิบัติทําได้เมื่อไหอไร่ก็ทิ้งทุกอย่างไปให้หมดเลยจะดีกว่าเพราะได้อะไรมามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่ากับธรรมะต่อให้ได้ปริญญาใหม่อีกสิบใบกันเท่านั้นะพอให้ได้เงินใหม่เท่าไหร่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่สามารถนํามาดับความทุกข์ใจได้นั้นถ้าทิ้งได้ทิ้งไปเลยถ้าเข้าหาธรรมะได้เดี๋ยวนี้ได้ก็เข้าหาเลยดีกว่าอย่าไปรอไปรอเลอะไรกับอะไร กิเลมันหอกเราอ่ะิเลสมันห ล, หลอกเราไม่อย่างให้เราขึ้นเวทีใช่ค่ะอาจารย์เ อ, อิรู้สึกว่าเหมือนยื้วว่าแบบเออสุดเ อ, อิงเลือกไปแล้วเ อ, อิงต้องทําต่อให้มันเสร็จ<ช>หรือเปล่าแต่อีกอย่างเ อ, อิงก็รู้เหมือนว่าแบบรู้ความจริงว่าแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันติดตัวเอิงไปมันไม่ใช่ใบปริญญาหรือว่าเงินนะคะ่ะอาจารย์ได้ต้องทํามาท่านที่จะติดตัวไปกับเราสติสมาธิปัญญานี่ย องั้นแปลว่าสิ่งที่ยากมากๆตอนนี้สําหรับเอิงคือการหยุดอยากใช่ไหมคะใช่หยุดอยากแล้วก็มาเจริญสตินั่งสมาธิให้มากค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่เอิงอยากบอกพระอาจารย์ค่ะว่าเอิงอ่ะรู้ว่าแบบอืมถ้าเอิงรักษาศี น, นะศีนจะคุมคลองเอิงแต่เอิงก็อยากขอแบบพลังจากพระอาจารย์สุชาติด้วยนะคะ พลังนี้ต้องสร้างขึ้นมาเองร่างกของมันให้กันไม่ได้โ okay, อเคครับอาจารย์มันยังเพิกเตะมากๆเติมันจะตัวที่จะชุดกําลังขึ้นมาให้กับจิตงั้นพระอาจารย์อยู่นานๆให้เอิงได้ไปอ่ปฏิวัติใกล้ๆพระอาจารย์นะคะก็ะสั่งมันได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะ ยินดีตา ม, มีตามเกิดที่สุดอย่าไปยึดอย่าไปติดกับอะไรย์ตอนนี้มีก็รีบใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดไม่ต้องไปกังวลถึงวันพรุ่งนี้อน า, าคตวา่าจะจะเกิดอันนี้มีอะไรที่ใช้ประโยชน์ได้รีบชวยโอกาสเอามาใช้เสียอย่าไปโลกอย่าไปคิดวอาทุก์ให้มันอยู่ไปนานๆนน อ, อ, อีกอย่างหนึ่งก็ได้คะอาจารย์ ถ้าเอิงรู้สึกว่าตัวเอิงไม่ได้มีความกลัวอะไรเลยตอนนี้แต่เอิงเชื่อว่าขัดเนี้ยหรือจิตเนี้ยมันต้องมีความกลัวสักอย่างอ่ะคะ่ะอย่างนี้เอิงจําเป็นต้องหาไหมคะมันก็ทอไวทศสาวเลยไหมไม่กลัวผีก็เรามาอยู่ป่าชาดูเลยค่ะอไม่กลัวเสือก็ลองไปอยู่ในป่าดู<อ>มันความคิดมันหลอกเราได้เชื่อไม่กลัวเราไปพิสูจน์ว่าเจอของจริงแล้วมันยังกลัวแล้วไม่กลัว ไม่กลัวเจ็บก็ลองนั่งไปให้มันเจ็บก็อย่าไปลุกมันเลยมันมันอาจจะละเอียดกว่าสิ่งที่เอิงคิดใช่ไหมคะใช่เราเพียงแต่คิดไงแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นความคิดเท่านั้นเองมันไม่ใช่เปความจริงเพราะว่าเอิงอาจจะยังไม่เคยใกล้ตายเอิงเลยอาจจะกลัวตายใกตายไม่เคยใกล้ตายไม่เคยใกล้เจอความเจ็บจริงๆเราเคิดทำอะไรมันไม่ได้มัน แล้วดูเสว่าใจเราจะทุกข์กับมันหรือเปล่าคอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะคนเราบางทีคิดว่าฉไม่กลัวอะไรฉันตอนนี้ใช่มันอยู่ในห้องแอมันกลัวอะไรไม่มีอะไรให้กลัวเอาไปอยู่ในปา่น<อ>าช้าดูเลยจะสามารถไปได้ไหมอ่ะ <laughs> ก็ลองไปดูสิได้ค่ะพาจารย์พะามีที่แนะนำไหม <laughs> อ่ะ <laughs> มีสถานที่แบบ ทำบางแห่งเขาให้เราไปนั่งสมาธิกับโรงศพอมีศพจริงๆนอนอยู่ในโรงศพนะ<ต>อเอีเอเคยไปยืนดูแบบร่าล่างที่เขาเผาไฟอ่ะค่ะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆอันนี้ยังไม่เผาอันนี้ยังยังสดๆอยู่ยังนอนอยู่ในโรงอยี่ยบางทีรส่งกินเหม้นให้หน่อยใ ห, ให้ดมด้วยแล้วให้ไปนั่งสมาธิอยู่กับเขา้าตามลำพัง มันอยู่ในป่ามีแค่อะไรเงี้ยคนเดียวนี่ค่ะพระอาจารย์ถ้ามีโอกาสเอองจะรีบไปหาโอกาสนั้นก่อนอ่าค่ะอพระอาจารย์จีได้พิสวว่ากลัวจริงต้องกลัวจริงนะเอองจะรีบมารายงานนะ <laughs> พระอาจารย์ด <laughs> ได้อ่ขอบคุณอาจารย <laughs> ์ไปต่อคุณปรางวไลปรางวไลก็ชอบไปหาที่น่า ก, กลัวนั่งสมาธิไม่ให้ เจ้าข่ชอบค่ะแต่ว่าก็กลางคืนยังไม่ไม่กล้าตั้ <laughs> <อ>งเก็บ<อ>ก็บชั่วโมงไปก่อนค่ะจ ะ, ะพูดถึงที่นั่งนั่งกัวค่ะตอนนี้หนูหนูทำงานที่สีราชาเป็นโรงแรมที่มีสองแห่งก็คือฝั่งสีราชาแล้วก็ฝั่งสีชังค่ ะ, ะทุกทุกครั้งเวลาที่หนูต้องนั่งเรือข้ามเกาะไปดูไปดูพนักงานหรือไปทำเทรนนิ่งให้พนักงานนะคะหนูหนูใช้ ตอนที่พ่อจันเคยสอนว่าเวลานั่งอยู่เฉยๆก็คือบอกไม่ไม่ไม่ข ย, ยุบขยีกอะไรเงี้ยประมาณชั่วโมงหนึ่งมก็จะทําแบบนี้ตลอดนะคะวันนี้ก็ทําขับไปทั้งและขากลับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปอีกรอบหนึ่งะค่ะก็จะใช้วิธีนี้ส่วนโรงงาน<ป>ใหญ่ไหมโรงแรมใหญ่ไม่ไใหญ่คะรร่ะเป็นแบรนด์เป็นโ no นวาเทล่ะคะ่ะกี่ห้องเอ่อชอบฝั่งสีราชา235ห้องฝั่งสีชัง40ห้องค่ะอ๋อแล้วมีใครไปพักที่สีชังไหม นักท่องเที่ยวเต็มเลยค่ะก็เหมือนดังในกระแสติ๊กตอกอะค่ะเราคนก็แห่กันไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอคนไปเยอะมันก็มีปัญหาจุกจิกเพราะว่าความสะดวกสบายมันก็อาจจะไม่พร้อมเช่นพวกน้ำอะไรพวกเนี้ยค่ะน้ำต้องซื้อใช่ไหมต้องซื้อน้ำใช่ค่ะแต่ว่าเห็นเห็นโอนเนอร์เขาบอกว่าเดี๋ยวประมาณปลายปีอะค่ะประปาจะเข้าแล้วก็ก็น่าจะกาจะเดินท่อไปเลย ใช่ค่ะแต่ว่าแพงขึ้นก็ยูนิตประมาณร้อยยี่สิบาทถ้าเป็นบ้านที่ฝั่งตกาะเขาก็ประมาณยูนิตละแปดสิบบาทนะแล้วลงเงินดับดาวเทลมีหลายอันไหมไม่มีอันเดียวมีหลายที่ค่ะที่อืมละยองรู้สึกว่าไม่ไมทั้งที่ไม่ทั้งที่สีชมพเนี่ยอ๋อมีมีแบรนด์ที่เดียวค่ะนอกนั้นก็จะเป็นโลโคก้ค่ะหนูก็แต่ว่าหนูก็หนูก็ชิมคือชิลๆเพราะว่า มันอยู่แบน์ใหญ่ๆแล้วปัญหาเยอะมันเยอะมาแล้วอ่ะพอมาอยู่ที่นี่หนูก็หนูใช้สติอย่างเดียวเลยเราพนักงานเขาก็บอกตีกันหนูก็หนูก็ห้ามด้วยสตินำด้วยไปค่ะสบายชิลมากค่ะทีนี้เอ่อหนูหนูก็ขอ g ีเอ็มเขาอยู่ว่าเอ้ยเดี๋ยวบางวันนี่หนูจะขอไปนอนที่สี่ชังนมันจะมีห้องพักแมネจเมนต์เน่ยหนูจะได้นั่งสมาธิตอนกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะได้ได้สงบโพรา์ที่นู่นมันสงบมากอืมค่ก็เหมือนเดิมค่ะ ปฏิบัติเหมือนเดิมคะ่ะสู้ไม่ถอยคะ่ะยังไงก็ให้เวลานั่งเรือกี่นาทีก็ตอนนี้นะคะก็ตกรอบเลยก็ประมาณสี่สิบ้าถึงชั่วโมงค่ะบางบางทีถ้าแบบนั่งดีๆก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเลยะะ่งเี้ยค่ะเป็นรอบๆไปเรือธรรมนีาเรือเฟรรี่อย่เนี้ยคะ่คะเรือเร็ว เ, เรือชา้าี่สี่สิ อ, อ๋อนั่งเรือใช่ไหมคะถ้าเป็นของโรงแรมจะเป็นสปีดโบ๊ทค่ะ ก็ประมาณสี่ประมาณไม่เกินสี่สิบนาทีแต่ว่าถ้าเป็นเรือเรือเมยอ่ะค่ะประมาณตีซะประมาณลอเรือออกด้วยก็ประมาณชั่วโมงเสร็จเสรค่ะค่ะก็ก็เนี่ยค่ะก็วันนี้วันนี้เรือสปีดบัสเต็มลูกคา้าลูกค้านั่งเต็มหนูว่าต้องนั่งไปเรือเมย่ก็ใช้เวลาแต่ว่า พ, พอใช้เวลาตรงนั้นหนูก็สบายหนูก็พอพอซื้อตั๋วเสร็จพวกนั่งหนูก็นั่งสมาธิเลยอืม สนุกค่ะชอบค่ะก็ยังเหมือนเดิมนะคะไม่ไม่ทิ้งค่ะแม้จะห่างพระอาจารย์ก็อย่างที่บอกค่ะได้วิชามาเต็มเต็มค่ะแล้วก็ทุกๆครั้งก็เข้ามาเรียนค่ะโอเคสาวเตินว <pier temple>. ิมจานค่ะคุณจิ๊บถึงคิวคุณจิ๊บแล้วเป็นยังไงราสักการค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีนะคะทิทยาโยมยุ่งหัวฟูมากเลยกับงานมีลูกค้าเดินเข้าเดินออกเต็มไปหมดเลยค่ะ เออชีวิตก็อย่างเงี้ยช่วงภาษีค่ะพอาจารย์มีแต่คนแบบโอ้ยเงินฉันอยู่ไหนเงินฉันอยู่ไหนมีซาสิบห้ามันชิงเครดิตลายเห็นใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่แบบเหมือนกับลูกค้าเขาให้เอกสารมานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าทีมเขาดองไว้ทําไมโยมก็ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะค่ะลูกค้าก็เลยช่วงภาษีทุกคนก็จะแบบกระนําโทรศัพท์แบบ เงินชั้นได้หรื อ, อยังฉันได้เงินคืนหรือเปล่าฉันต้องใจเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยอมก็ับ่อยไม่อย่ามาใส่อารมณ์กับยมเลยโยมมันแค่คนรับโท ร, รรับรับหน้าเสื้อเฉยๆหน้างานไม่ได้เป็นคนทําเด้ <c oughs> อค่ะกระปุงไปค่ะพระจานทร์ก็ไม่มีอะไรค่ะมานั่งมันอย่างเมื่อวันนี้ก็มีเรื่องให้พิจารณาว่าแบบเหมือนลูกชายยมกําลังเลือกมาหาหลัยใช่ไหมคะก็แบบว่าก็ ก็พิจารณาการเงินอะไรเงี้ยค่ะก็ก็แบบเออมันก็มีทุนมีอะไรมันก็แบบบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าแย่เหมือนกับชีวิตเราเนะะี่ยค่ะบางทีมันก็มีอะไรที่ดีๆตามรองรับอยู่อะคะ่ะมันก็เป็นไตรลักษณ์ที่พระอาจารย์บอกะคะ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์ก็จะกราบเข้ามาสวัสดีปีใหม่พระอาจารย์ล่วงหน้าเลยนะคะ <Okay. S 2> เคผื่อร <Yeah. S 2> อ วีอาทิตย์หน้าอาจท้าจะาทา้ามายุ่งจะได้เข้ามาอีกค่ะพระาจย์ของจันทันแข่งแรงนะคะสาธิติบัติไปเรื่อยๆค่ะ <Yeah. S 2> สาธุค่ะคุณมาลีเชนบาลีหลวงพ่อค่ะเป็นยังไงตอนนี้อยู่ที่ไหนวันนี้อยู่นครนายกค่ะหลวงพ่อ ตอนนี้อยู่ทำงานนะพอดีหนูจกมาเพราะว่าหนูลางานสองวันคือพรุ่งนี้จะไปเขาศพาคาหของพ่อผู้ใหญ่ที่มีพระคุณเสียค่ะมันก็ยาวติดยาวไปเลยเนี่ยตองวันแล้วก็จะเอาที่ต่อใช่ค่ะแต่ว่าอยู่ต้องต้องไปที่จังหวัดพิจรดโลกอะค่ะ เข่อยู่ที่น ah> ั่นนะคะก็เดินทางอยู่ใกล้ๆหมอวีปเดีหมอวีก็อยู่พิชานโร่สนุกไม่ทราบคุณบอกเขาอยู่ตรงในมือรังหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจไม่ไมต้องถ้าเขาก็าคงังไม่สนุกที่จะเจอแล้วนอกจากเขาเปิดคลินิกเจอในซูเจอในห้องหรือเจอในเวลา วัน น, <สะ S 1> นี้เป็นสาวะสาววอกเขก็ต้องไปเข้าสภายอยู่นี่ก็ไม่มีอะไรพูดไปเฉยๆค่ะหลวงพ่อมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีค่ะหลวงพ่อหนูก็ปฏิบัติอยู่ค่ะจิตใจก็ดีอยู่ค่ะคก็มีปัญหาหลายอย่างแต่ว่าก็อยู่ได้ค่ะหลวงพ่อทั้ง สายเรื่องเลยค่ะทั้งคอนโดที่ว่าดินไหวพอไปอยู่บางบัวทองก็น้ำท่วมพอมน้ำท่วมเสร็จวันอาทิตย์หนูไปไปทำบุญไปวัดกลับมาก็มีอุบัติเหตุอีกค่ะหลวงพ่อรถรถวิ่งเข้ามาชนรถหนูอะค่ะ<อ>พิจารณาเป็นหนาตาไปให้หมดค่ะอยู่อยู่ได้ค่ะหลวงพ่อมันมันไม่มีอะไรมันก็ ตรงไปหมดเลยค่ะหลวงพ่อเราหมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ค่ะมีมีเรื่องรอบตัวแต่ว่าจิตใจยังดีอยู่ค่ะหลวงพ่อจิตใจสบายค่ะหลวงพ่อใจค่อยว่างยังไม่แบกค่ะหลวงพ่อคือตั้งแต่ตั้งแต่แผ่นดินไหวค่ะหลวงพ่อมันเหมือนรนูหนูเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วแบบจิตใจหนูเบาไปเลยอะค่ะหลวงพ่อคือไม่มีอะไรที่จะมา มาค้างมาติดอยู่ในใจเราขอให้มีธรรมะในใจแล้วสุขได้ได้ค่ะหลวงพอ่อแล้วก็ปฏิบัติก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะหลวงพอ่อติดใจสงบดีขึ้นมากๆในนี้จากอาการนั้นไดอย่างชัดเจนเวลาแผ่นดินไว้เนี่ยใช่ค่ะหลวงพ่อมันพิกนิดเดียวเองค่ะหลวงพ่อมันคือมันไม่มีอะไรเลยอะค่ะหลวงพ่อชีวิตของเรามัน มันเหมือนเราไปยึดติดเอามาเก็บว่าอันนั้นก็ของฉันมีตัวมีตัวแต่พอเกิดเหตุอันเนี้ค่ะหลวงพ่อมันทําให้เหมือนตัวตัวตนของเราอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อใช่ค่ะหลวงพ่อมันจากที่มีมาหน้าทิพติอย่างคนที่เขาทํากับเราเหมือนเหมือนเหมือนเราคิดอยู่ในใจว่าเขาทําเราเขาทําเราอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อแต่ว่าพอเกิดเหตุองเนี้ย มันหายไปเลยค่ะหลวงพ่อไอ้ของวันตัวกูธรร ม, มาชาติอ่าทำไเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคะค่ะหลวงพอ่อโอเคนะนหนูเห็นเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อขอบพระคุณหลวงพ่มพอมากมากค่ะคุณนโปเข้ามาครัง้งแรกเลยคุณนโป๋อเินไปก่อนจ้ะ อ่าพูนได้เลยคพูนทางดังหมายเสียงค่อยค่ะพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่ไหนอ่าอยู่สุราสุราค่ะสุราเคยเข้ามาบ้าค่ะเคยมานานแล้วค่ะอ่าก็วันนี้ก็อยากมาเห็นเพื่อนๆอ่าอยากมาฟังธรรมค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามเลยนะก็ยังก็มีคําถามอยู่ค่ะเดี๋ยวมีมาหลอนอยู่ ก็มีคําถามอยู่ตอนนี้ก็ปฏิบัติอยู่ก็ดูแต่ละไปเรื่อยๆจะเป็นคนใต้พูดเคลี่นหน่อยนะคือเริ่มดูร่างกายที่ว่าเพื่อนไหวอ่ะคานงูกิตใช้พิธีดูกาย อ, าาอ่ะค่ะอ่าดูความเ ป, เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของจิตใจที่มันมันมันเริ่มอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆเยื่อยๆะมันเริ่มปล่อยวางได้มากขึ้นนะค่ะอือ นั่งสมาธิได้ไหมหนูไม่ค่อยจะ น, นั่งเท่าได้เท่าไรเพราะหนูอดิษฐานะตอนนี้เอาพานั่งนึกพยายามนั่งอยู่ห้านาทีสิบนาทีอยู่ค่ะแต่ว่ามันไม่เป็นโทสะมันเยอะอันมันคนไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่อ่ะก็ต้องใช้มเมตตาเวลาเกิดโทสะขึ้นมามให้อภัยยกโทษคนที่ทําให้เราโกรธอืมนูชโทสะแรงมากครับอาจารย์ตรงจุดนี้นะหนูไปนั่งคนสมาธิแล้วก็ มันทนทนทําที่สิ่งสิ่งที่มันมันขับเหมือนมันขับให้หนูนั่งใช่ไหมแต่หนูทนไม่ได้าเหตุมากเลยเราไม่มีสติเราไม่มีสติต้องฝึกสติให้มากขึ้น่ะค่ะแต่หนูใช้วิธีดูกายที่ว่าอยู่กับปัจจุบันได้เยอะมากขึ้นยอมรับได้เยอะมากขึ้นอยู่กับคนก็ได้เยอะมากขึ้นค่ะช่วงนี้ก็ส่วนมากเมื่อก่อนจะอยู่อ่าอย่างวันนี้ก็ไปเป็โรงพยาบาลมา พพอไปพนมพยาบาลมาก็เริ่มเริ่มเห็นว่าเราเริ่มอยู่กับตรงนั start, ้นได้แล้วแต่ก hmm. ่อนหนูเริ่มเริ่มอยู่ไม่ได้หนูจะร้อนในกายจิตแต่มัวุ่นวายที่ไิออกไปอยู่ข้างนอกแต่แบบนี้เริ่มเริ่มเริ่มอยู่ได้เริ่มอยู่กับคนหมู่มากได้มากขึ้นแต่ก่อนหนูจะวุ่นวายมากที่ว่าจะไปนั่งย้อมผูนอื่นแต่เดี๋ยวนี้หนูเริ่มเริ่มได้แล้วเมื่อเริ่มได้สาวก็เริ่มอยู่ได้อยู่คนเดียวก็อย่างเลยต้องอยู่กับคนเดียวให้ได้ด้วย อยู่คนเดียวได้ไหมหนูชอบอยู่คนเดียวค่ะไค่อยจะหนชอบชอบอยู่คนหมู่มากไม่ค่อยจะได้ช่วงก่อนหน้านี้นะค่ะอยู่คนเดียวไม่มีปัญหาอะไรไม่เหงาไม่เศร้าก็หนูก็ยังมีความกลัวกดดีาค่ะช้างไม่รู้ทาไมว่าต้องหนูต้องตัวตาพราก็มันกิดมันบอกว่าตายแน่ตายเนี่คือหนูเริ่มรูเตนอายุมากขึ้นแล้วก็มีมีการร่างกายเริ่มป่วยมากขึ้นแล้วก็ดูดูอาการที่มัน วดในกายอะไรประมาณเนี้ค่ะมันแล้วก็บอกว่า้ตายแน่ตายแน่ยัยยยงไงก็ตายแน่แน่รู้แต่ว่ามันตายแน่ดีต้องพยายามสอนมันเรื่อยๆให้มันยอมรับให้ได้่มันมองอยู่อย่างเดียวคนะุณครอาจารย์ว่าตายแน่แน่ชีวิตนี้ไม่ไม่ตายไม่ก็ไ ม, ไม่ไม่เห็นไฟเหลือสักคนอาจารย์อ่าดีถูกต้องทีนี่ใช้ได้ค่ะคุณใช้วิธีดูกายส่วนมากค่ะหลนต น, น, นจะเห็นตอนไป่ักตอน ตอนทำงานได้เยอะค่ะช่วงที่ว่าหนูทำงานนะเดี๋ยจะเห็นความคิดที่มันขึ้นมาในหมองแล้วก็เห็นูก็เห็นแล้วก็มันเห็นแค่ว่ามันคิดแล้วก็มันก็หายแวบแล้วมันก็บางทีก็มันคิดเรื่องใหม่อ่เพราะว่าจะมันอยู่อย่างเนี้ยอยู่อย่างนี้ตลอดเลยพอช่วงที่หนูทำงานนะหนูจะทำงานตอนหัวรุ่งอ่ะนะหนูเป็นคนที่ิจีบจีบยางตอนหัวรุ่งแล้วก็แล้วก็หนูก็เปิดทำบางทีก็มันก็จีเอาจิตไปฟังทำแล้วก็บางทีก็เอามาอยู่กับกายที่มันเดินที่ ดูกายไปเห็นากายเดินแวบหนึง่งอ้าวแล้วก็มันเลิกดูดกายแวบเบห็แบบนแวบหนึ่งแล้เดินแล้วก็กลับมาดูฟังธรรมอะไรประมาณนั้นมันก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะมันดูของมันไปเรื่อยๆ อ, อย่างเงี้ยค่ะก็ดีดูแลต้องปล่อยวางให้ได้แล้วกันนะเดี๋ยวหนูนยังปล่อยวางเรื่องกลัวความตายเนี่ยไม่ได้เลยหนูกลัวตายมากเลยพี่านต้องนั่งสมาธิต้องนั่งสมาธิให้ได้ก ล, ลัวตายได้ไหมคะ ต้องนั่งสมาธิให้ได้นะความกลัวตายก็จะหายไปค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็พยายามอยู่กับอ่าฟางังธรรมเรื่อยๆคะ่ะพออยู่กับการฟังธรรมแล้วรู้จิตมันสว่างนะคะเรื่อเชื่องว่าเราอยู่กับการฟังธรรมสิ่งที่โยมขาดตอนนี้ก็คือสมาธิต้องฝึกสมาธิให้ได้ค่ะพระอาจารย์หูคว่าหนูขาดสมาธิเยอะมากเาว่าไม่ได มปัญญาปัญญามีรู้อะไรหมดนะปัญญายืดจริงดุขังธรรมพระอาจารย์หลายองค์แต่ทำใจไม่ได้แต่ทาใจไม่ได้สะาีิอาคาพระอาจารย์เอาไปฝึกสติได้พุทโธพุทโธลองหัดทำพุทโธพุทโธทั้งวันดูมันยหยุดคิดสะบ้างหยุดคิดสบ้างนะถ้าหยุดคิดใช้พุทโธคิดพุทโธแทนอย่าไปคิดด้องมั้ยอาจารย์หนูคิดเยอะมากมันหนูใจด้ที่ว่า ใช้สมองเยอะมากมีความรู ánh, ้สึกนชอบดูคิดใช่ไหมหอว่าเอนี่มันเอาจิดไปง่ปัญญามากเกินปัญญามากเกินไปมันกลายเป็นฟุ้งซ่านไปยใช่ใจริงจรอาจารย์ใช่เันฟุ้งซ่านี่ฟุ้งซ่านจริงจรอาจารย์ต้องใช้สมาธิหยุดมันนะใช่ค่ะใ้พุทโธพุทโธหยุดมันโอ๋อค่ะพุทโธลองพุทโธไ้ทั้งวันดูเยอืมค่ะค่จะทาได้หม จะลองทําดูค่พะพ่ออาจารย์อ่ต้องลองทํานะของง่ายๆคําเดียวพุโทโธมันจะยากตรงไหนนะก็เคยก็เคยฟัง พ, พอ่ออาจารย์หลายองค์พูดเรื่องนี้แต่ก็หนูยังทําไม่ได้เลยคพยายามเนีเพราะนี่คือสิ่งที่เราขาดถ้าอยากจะให้มันสมบูรณ์ห น, นูจะเล่าว่าก่อนเคยป่วยทุกนาที่ว่าหนูกดเต้านมแล้วก็มีก้อนในงานที่ว่ามันอะไรนะเพว่าเป็นถชงน้ําใช่ไหม แล้วก็ตอนนั้นหนูก็ตายมากเลยก็หนูถึงร่างจิตมันฟุ้งอะนะพะอาจารย์แล้วก็อ้วนอะไรเงี้ยฟุ้งมากเลยแล้วก็ฟุ้งไม่ได้อย่างนี้มันปิดจิตมันมันจะอะไรนะอะไรจิตประหลไปไกลอะนะแล้ก็วุ่นวายมากหนูก็ไม่รู้จะทําอำหนูก็เตือนแตเอิงฉนแตเองว่าเออเราต้องมาทําสมาธิแล้วล่ะอย่างเงี้ยหนูก็มา น, นอนจุดโถได้ครั้ง ครังนั้นหนูทาได้ว่าจามแต่หมัดนี้หนูทาไม่ได้อะไรนะเพราะนั้นหนูจําได้ว่าหนูัวมากปวตายที่ว่าหนปวดนะนะอมีคนทักว่าเป็นมะเร็งได้นะปวดเต้านมเนี่ยหนูก็ปวดตรงนั้นนะะล้วก็วันนั้นหนูว่าปวดไม่ได้แล้วเราก็กลับมาทําสมราธิหนูก็รู้จุดตรงนี้ดีว่าต้องอย่างนี้ต้องมาทําสมราธิแ้วก็ก็ทําได้อยู่พรงนั้นนะแล้วก็ว่าจิตมันเออกลับมาอีกแล้วค่ะกลับมาไม่เอาตรงนั ot, as ้นอีกแล้วค่ะ ต้องกลับไปให้ได้ต้องพยายามทำสมาธิให้มากๆบ่อยๆอขอบคุณค่ะพระอาจารย์คขอให้ธาตขันแข็งเรงค่ะพระอาจารย์สาธุคุณอภิสิทธิ์สกลนครการนมัสการพระอาจารย์ครับอมีอะไรไหมก็เข้ามากขับพระอาจารย์แล้วก็มาฟังรุ่นลกฟังธรรมเขาไม่ได้เข้ามานานอมก็ระลึกเถึง ได้สมาธิอะไรนะได้สมาธิแนวอ๋อสมาธิเหรอครับอาจารย์สมาธินี้ต้องบอกว่ายังเพราะว่าที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือว่าก็คืออความคิดนี่มันยังเกิดขึ้นอยู่แต่ว่าเราก็มาอยู่กับคําบริกรรมพุทโธนะครับอาจารย์ก็คือมันเราจะไม่ไปบังคับในส่วนของความคิดที่เกิดขึ้นนั้น่ะเราจะต้องมาอยู่กับคําบริกรรมพุทโธหลัจากความคิดนั้มาอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพยายามทําช่วงต่อเนื่องตรงนี้อยู่ครับอาจารย์อ มันยังวางตรงนั้นไม่ได้แต่ว่า เ, เส้นทางนี้ผมคิดว่ามันถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกตรงเส้นทางนี้ให้บ่อยๆก็คือทุกครั้งที่ทำเนี่ยต่อให้มันคิดก็ ก, ก็ปล่อยมันไปแต่ว่าเราพยายามทำตรงจุดนี้ให้จิตคุ้นเคยในการที่จะระวังในส่วนที่เป็นความคิดที่ส่งออกไปข้างนอกนะครับอาจารย์พยายามทำอยู่ครับครับยังทำตรงนี้อยู่ครับอาจารย์ คือเราเราไม่ได้มีความเพียรพยายามอย่างเต็มที่นั่นแหละว่ากันง่ายๆนะใช่คือความตั้งใจเรายังไม่เยอะแต่ผมอผมรู้ในสิ่งที่พระอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมันก็ขยันน่ะผมไม่มีข้อสงสัยหรอกถ้าได้สมาธิแล้วมันขยันเองมันมันจะมีความมุ่งมั่นเองมันจะเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมันจะไปของมันเองแหละแต่ว่าเราจะช่วงระหว่างที่จะฟันฝ่าในช่วงเนี้ยมันต้องอดทนแล้วก็ขยันทําอย่างต่อเนื่องครับพระอาจารย์ <Okay. S 2> สู้ไม่ถอยอย่างที่พระอาจารย์บอกมาถูกต้องแล้วโอเคครับทไม่ได้นะที่ฉัรู้ครับพระอาจารย์พยายามพยายามต้องปฏิบัตินะนะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ละความพยายามของตัวเองเลยครับพระอาจารย์โอเคสาธุครับแค่นี้ครับพระอาจารย์คุณไอแพเข้ามาที่หนังนี่ายแผนของคุณไพโรดยอมเชื่ออะไรจ้ะไว้ไหมได้ไหม กดปุ่มอันนี้กันโอเคโอเคค่ะเป็นยังไงอยู่ที่ไหนออยู่ที่แมริแลนด์ค่ะพระอาจารย์อเป็นเพื่อนคุณจิบเหรออ่คุณซานทอนค่ะอยู่นานหอยู่นานหรือยังอ่อยู่อเมริกานี่นานแล้วค่ะแต่แมริแลนด์นี่เพิ่งย้ายมาย้ายมาจากที่ไหน ย้ายมาจากลอยดาค่ะพระอาจารย์ลอยดาทำไมลอยดามันแพงอ่ะไม่พอดีลูกชายมามีครอบครัวที่นี่นะคะอ่าอยู่ในกา ร, รมาทั้งหมดกี<ม>่ปีแล้วก็สามสิบกว่าปีละค่ะพระอาจารย์กรรมวิธมาเยี่ยมบ้านบ่อยไหมก็พยายามเออกลับบ่อยๆค่ะกิน จ, ะจะิตกรรมอยู่บางไทยไหม ก็ยังไม่รู้อนาคตยังไงเลยค่ะพระอาจารย์แล้วเกินี้เข้ามาทําไมวันนี้เข้ามาเพราะม า, า, มามกราบนะวัฒการพระอาจารย์ค่ ะ, ะไม่มีคําถามเลยนะไม่มีค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากมากเลยที่ที่เป็นกําลังใจที่ออกมาที่ที่ม า, มาแสดงทำค่ะโอเคไปพยายามศึกษาปฏิบัติไปนะค่ะพยายามค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุ ค่ะกลับค่ะกลับนมัสการค่ะอ่าใบที่คุล้าใช่ไหมคะกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดห้าคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกลาบนมัสการพระอาจารย์ครับการที่เพื่อนคนหนึ่งสามารถกําหนดสมาธิได้ลึกและชํานาญไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีปัญญาฉลาดในการดําเนินชีวิตทางโลกใช่ไหมครับก็อยู่ที่ว่าเขา ปัญญากับสมาธิเป็นคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันนะในสมาธิก็ไม่เนี่ยเขาจะต้องมีปัญญาตามมาโดยโน้มนปัญญาเกิดขึ้นจากการศึกษาเหมือนไปลงเรียนนี้แล้วก็ไปเรียนปัญญาทางโลกทางธรรมเราก็ต้องศึกษาธรรมะศึกษาอา ร, ริยรศาสตร์ศึกษาไตรนักเนี่ยคำถามต่อไปคนที่ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มองตนเองเป็นหลัก ไม่เมตตาไม่กรุณาจะสามารถบรรลุมรรคผลได้หรือไม่ครับอ๋อยากอนตัวนี้มันตัวกิเลสไงตัวตา ต, ตัวตัวนี้มันจะขวางการปฏิบัติคำถามต่อไปการเล่นพนันผิดศีลหรือบาปไหมครับเล่นเล่นเล่นสนุกสนุนา น, นานทีก็เป็นแบบว่าเป็นชเป็น เป็นเหมือนเจอเพื่อนฝูงกันทั้งทีแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เล่นกันไปอย่างนี้กันถือว่าเป็นเล่นเกมไปไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นเป็นอาบายมุกแต่ถ้าเล่นเป็นอาชีพอย่างเงี้ยมันจะเป็นอาบายอย่าไปทําอย่าไปเล่นเป็นอาชีพเพราะมันจะหมดตัวคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณอาทิตย์หลวงพ่อคะถ้าหากเราให้อาหารนกพิราบแล้วมีนกตัวอื่นตาย สงสัยว่าเขาโดนนกพิราบทำร้ายเราควรให้อาหารนกพิราบต่อหรือหยุดดีกว่าคะมันก็เป็นเรื่องของนกพิราบเรามีหน้าที่ให้ความเมตตาเลี้ยงเขาก็เลี้ยงไปอยู่ที่เราเราจะไปรู้หรือเปล่าว่าเขาก็ไปฆ่านาู้นธรรมดามันก็เป็นเรื่องของสัตว์เป็นธรรมชาติของสัตว์เขาอยู่เขาก็ต้องดิ้นหลนต่อสู้กันไป แต่ก็ไม่น่าจะมาเป็นเห็นให้เราไม่ให้ความเมตตาเขาเรื่องาสุดท้ายจากคุณจีนภัณฑ์กราบนมัสการพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิมีสติอยู่กับการนั่งสังเกตกายให้นิ่งและให้ความคิดว่างไม่คิดอะไรปฏิบัติแบบนี้ถูกทางไหมครับพุทโธตลอดแต่จิตยังไม่รวมครับขอพระอาจารย์เมตตาด้วยครับ ก็ตอนั่งต่อไปอย้ายพุ่งหยุดพุดทธโอตอไปจนการจิตจะสงบแล้วก็หยุดพุดทธโอคําถามหมดแล้วเจ้าค่ะเราเมื่อกี้บอกมีห้าคำถามนี่ได้แค่สามนึงอ่า 3, หมดนะ้ว่านคาถามแล้วเจ้าค่ะเดียวนะแปเดียวโอเคคําถามก็หมดนะก็เวลาก็หมดพอดี ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ